อ้าเชิญคุณพอาสนาก่อนเลยวันนี้จ้าวันนี้ปีใหม่งานวัฒการค่ะพระอาจารย์สวัสดีปีใหม่บบหมคุณอบอยและคุณหลาดด้วยนะคะค่ะก็เดี๋ยวรายงานผลของที่ทํามาน ะ, ะพระอาจารย์การบ้านที่พระอาจารย์ให้ก็คืออาทิตย์นี้ต้นปีใหม่เนี้ยก็ทําทุดงวัดไปวันอังคารถือศีลแปดมาสองวันคือวันจันทร์กับวันวันนี้ ก็ไม um, uh, <is. S 2> ่มีปัญหาอะไรก็คือได้พระอาจารย์คือช่วยงควัดก็คือกินมื้อเดียวใช่ไหมทานมื้อเดียวได้ก็เรียบร้อยแล้วก็การบ้านที่พระอาจารย์ให้ก็คืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ให้นั่งนั่งสมนัา่ิสมาธิภาวนาแล้วก็เสร็จแล้วพรอาจารย์ก็ให้ปรัชนาต่อด้วยจุดจุดคือรู้สึกเลยว่าตอนเนี้ยตอนตีตีสามพี่ตื่นขึ้นมาพอนั่งปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกว่าจิตมันรวมได้นั่งปุ๊บมันก็สงบเลยพระอาจารย์ขึ้นมันเร็ว เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราทําทววันกลางวันแบบฝึกสติชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงมาตลอดอาจาระท่านอาจารย์แล้วก็พอสงบปุ๊บเนี่ยพอสองชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็สามารถเขาเรียกว่าเข้าใจที่พระอาจารย์บอกว่าเวลามันมีอาการเจ็บเนี่ยใช้สมาธิลบได้อะมันก็ทําให้เหมือนกับ ว, ว่าตัวหายไปมันก็เลยไม่มีอาการพอพอเลยสองชั่วโมงกว่าไปแล้วก็เลยลองนึกถึง วิปัสสนาที่พระอาจารย์พูดนะค่ะว่านึกถึงตัวเราว่าเป็นดินน้าลมไฟเป็นอาการสามสิบสองลองพยายามลองลองทําตรงนี้ดูก็ก็รู้สึกว่าตรงนี้มันก้าวหน้าขึ้นพระอาจารย์ก็เลยถามจะถามพระอาจารย์ว่าตอนนี้ก็คือว่านั่งสมาธิแล้วก็ทําทําเรื่องของไฟรักกับเรื่องของกายกับเมตนาะต่อให้มันให้ทั้งวันใช่ไหมพระอาจารย์หมายถึงว่าวิปัสสนา this is ให้คิดถ้ามีโอกาสคิดได้ให้คิดทั้งวันใช่ไหมพระอาจารย์อให้มันคิดว่าร่างกายไม่ใช่เรา เวทนาไม่ใช่เรามันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปมุ่งมั่นกับมันแต่เวทนานี่รู้สึกว่าพอเราพอรอพิจารณาแล้วมันมันคือมันมันมันผ่านมันไม่ได้อะพระอาจารย์คับเวทนานี่ยผ่านได้เพราะว่าเจ็บแล้วพอเราพิจารณามันก็คือมันก็ไม่เจ็บมันมันผ่นเวทนาไปได้แล้วมันก็มีมันก็มีหลายเวทนานะมัน ตัวบาบามันก็จจะผ่านได้นะแต่ตัวแรงๆก็ควรดูว่าเป็นยังไงก็ต้องอย่าประมาทนะไม่ธนาจะมาขนาดไหนก็ต้องรับมันได้คือไม่ไปยุ่งกับมันปล่อยมันมาปล่อยมันไปของมันปล่อยมันตั้งอยู่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเองเราไม่ต้องไปหวนไหวไม่ต้องไปหวาดกลัวไม่ต้องไปต่อต้านไม่ต้องไปต่อสู้มัน เราต้องรับมันต้อนรับมันวิญญาณท่านรับเจ้ามาแล้วเหรอรอมานานแล้วคือจะข้อสอบอย่างเงี้ยถอยเร็วเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่สู้มันไม่ต้องสู้หรอกต้อนรับมันดีป่ะต้อนรับเมตตาแผ่เมตตากห้เธเวทนาข อ, อให้เธอมีความสุขนะเธออยู่กับฉันเป็นานานนะอย่าเพิ่งทิ้งเรานะ จริง ๆ, งๆก็แผ่ให้ตัวเองด้วยนะพระอาจารย์ตอนนั่งอ่ะก็แผ่ให้แผ่ให้ติดว่าเอ้ยเราคือเราแผ่ไม่ไดตาให้ติดตัวเองแล้วยนะว่าจริงๆแล้วก็คือคือไม่ได้จะทําร้ายหรือว่าอะไรคืออยากจะให้มันก็อยากจะสงบอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็รู้สึกก็แผ่ไม่ตาให้มันก็ดีขึ้นนะพระอาจารย์ก็ดีไม่ต้องแผ่ให้เร า, เราแผ่แผให้ตัวที่เราเกียดนะ <c oughs> <c oughs> อ, ออกหรอออกค่ะเราเกียดเวทนาไหมเราเกียดความเจ็บไหม ก็ต้องพยายามทําใจแบบที่พระอาจารย์บอกคือไม่อยากจะไม่เกลียดเพราะถ้าเกลียดเดี๋ยวมันทนไม่ได้ก็เลยจะต้องยอมรับมันเนะอาจารย์ยอมรับมันทํามันยินดีต้อนรับว w ค l c o อ e นะยินดีต้อนรับสลับความเกลียดให้มาเป็นความรักพอเรารักอะไรแล้วเราจะไม่ทุกข์ใช่ไหมพอเราเจอสิ่งที่เรารักเราดีใจไหอไม่ดีใจไม่ได้เจอกันนาน เวทนาทุกเวทนาโอ้ยไม่ได้เจอเทานานหายไปไหนไครหวัดหายไปานานมาแล้วเหรอเออยินดีต้อนรับปวดท้องมาแล้วเหรอเออยินดีต้อนรับ อ, อ, อย่าไปกลัวมันอย่าไปรังเกียจมันมันทำให้เราทุกข์แล้วเราไม่ไปรังเกียจไม่ไปกลัวมันมันก็มีความสุขเวลามันมา นี่คือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต้อนรับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาะกันเราต้องเปลี่ยนความไม่ปรารถนามาให้เป็นความปรารถนาให้ได้เพราะเราหนีมันไม่ได้มันเป็นเหมือนเงาตามตัวเรานะไม่ต้องไปหนีให้เหนื่อยอยู่เฉยดีกว่าเขามาก็ต้อนรับเขาไปเขาไปก็ไม่ต้องเสียใจไม่เสียใจ นะความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยขาต้องมาแน่ๆ <Okay. S 1> เราก็ต้องตอนรับเขาไว้ได้ <c oughs> อย่าไปทุกข์ต้องดีใจโอ้รอมันต้องงานเกิดมาเนี่ยพวกเราทุกคนก็รอมันตายเท่านั้นน่ะจะรอแบบไหนไห น, นั่นหนึ่ง่นใหญ่ก็รอแบบหน้าเย้ <c oughs> อหมอบอกว่าเป็นมะเร็งนี้หน้าเย้กันไปหมด หมดเบี้ยวกันไปหมดเรายิ้มเถอเขาจะมาแล้วเหรือเรารอเขาต้องนานเนี่ยตั้งแต่เกิดมันนี่ก็รอวันนี้อ่ะเม่หมันจะมาสักทีให้มันรู้แล้วรู้รอดไป <c oughs> <c oughs> จะได้พิสูจน์ว่าเราเป็นยังไงเราตายไปกับมันหรือเปล่ามันตายเราตายกับมันหรือเปล่า <c oughs> ให้มันดูกันใหด้ดูชัดกันไปเลย <c oughs> มีอะไรกมไม่มีก heart, ็อ่านถึงบทที่สอง้อยกว่าแล้วคระอาจารย์ก็ค่อยๆอ่านไปแล้วก็ทำไปคือสรุปว่าตอนนี้การบ้านท่านอาจารย์ต่อคือปฏิบัติแล้วก็พิจารณาแค่ตรงเรื่องของกาย อกายกับเวชนาใช่ไหมครับอาจารย์คือกายคือินน้ำลมไฟคือคิดว่าออกจากสมาธิมาแล้วก็นั่งต่อสักพักหนึงแล้วก็รอดูว่าเจ็บไหมถ้าเจ็บนี้เวชนาก็ใช้ปัญญาดูว่าคือถ้าเกิดหลบในสมาธิมันไม่เจ็บอยู่แล้วครัอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเข้าในสมาธิมันโตมันหายไปมันจะไม่เจ็บแต่ว่าเรานั่งถ้าเกิดว่ามันเจ็บเราใช้ปัญญาใช่ไหมครับอาจารย์ขาหนี้ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาเป็นเหมือนดินน้ำลมดินฟ้าอากาศ มาก็มาดินฟ้าอากาศเราไม่ค่อยไปเดือดร้อนกับเขาเนี่ยเพราะเรายอมรับเขาฝนตกแดดออกจะหนาวจะร้อนเราก็รู้ว่าไปเปลี่ยนเขาไม่ได้แต่ในเวทนาก็าจะมาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็ต้องพยายามดูเขาให้เป็นเหมือนกับเราดูดินน้ําลมไฟไปอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิมาก็ปรับใจนั่นเอง ปรับใจ เ, เดี๋ยวนี่ตอนนี้หนาวเดี๋ยวก็หายหนาวเดี๋ยวก็ร้อน่ะเราก็ปรับใจรับกับความร้อนไปตอนนี้สุขเวทน า, เ, าเดี๋ยวทุกขเวทนามาก็ปรับใจรับทุกขเวทนาไปอันนี้ใช้ปัญญาเพราะเขาไม่เทียมก็ เ, เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับก็ไม่ได้เราก็เลยต้องทําใจ ปรับใจให้เข้ากับเขาเวลาเข้ามาอย่าไปเลือกที่รักมักชี้ชังแล้วมักจะไปช่างรักแล้วมักจะไปรักไว้ทุกสุขกเวทนาแล้วก็ไปช่างทุกขเวทนานี่มันก็เลยตีหน้าเราเวลามันมาถ้าเราไม่ไปช่งมันมันก็จะไม่ตีหน้าเรามันก็จะมันก็จะรักเรามันเราลักมันการพระอาจาร ไปเป็นปัจจัยนะพยายามทําให้จนกั่งไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บทางกายจะเจ็บจะปวดยังไงก็ไม่ต้องกินยาแก้ปวดนะปล่อยมันปวดไปอยู่ก็มันไปถ้าทำมาพลาดไ ป, ปติดยาแก้ปวดอย่างเองกินยาแก้ปวดก็ไปติดยาแก้ปวดเองใช่ไหม อะไีเป็ไรค่ะของพระอาจารย์สนุกนะพระอาจารย์ธรรมะสนุกนะพระอาจารย์เพราะว่ามีการบ้านแล้วก็ทําปฏิบัติแล้วก็ทําแล้วก็อ่านสนุกบ้านเลยพระอาจารย์ดีดตั้งใจทำแบบถ้าสนุกก็แสดงว่ามีฉันทะแล้วมีทธิบาสี่ฉันทาแปลว่าความยินดี ถ้าทําอะไรมันสนุกมันก็ยินดีที่จะทำเรื่อยๆค่ะอาจารย์คือมันได้เคอแบบเอ้ยเออมันหนีนี่นะอย่างนี้นะอ๋ออ๋ออ๋อย่างเงี้แบบรู้สึกว่าสนุกค่ะอาจารย์แล้วก็ดีมีพระอาจารย์ินที่ปรึกษาเลยมีมากๆมันก็มีความเพียรตามมาพอมันยินดีแล้วมันก็อยากจะทํามันก็จะขยันทําจิตใจมันก็จะไม่มันก็จดจ่อๆเยอะเรื่องปฏิบัติอย่างเดียวมันไม่ไปสนใจกับเรื่องอื่นนะใช่ไหมค่ะ พอมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติทันทีปฏิบัติแล้วก็อ่านธรรมะพระอาจารย์คือปฏิบัติไปแล้วก็แผนที่ก็คือผ่ธรรมะพระอาจารย์เนี่จะกาวจะอ่านไปแล้วก็จดจดด้วยนะพระอาจารย์แล้วก็อ่านซ้ําอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าเออมันต้องของมันครบมากเลยพระอาจารย์ต้องขอบพระคุณมากเลยอ่ะคือแบบเจอพอาจารต้องขอบพระคุณเพราะว่าคือคือทํามาถ้าไม่มีอย่างเงี้ยแบบมันไม่สามารถจะไปต่อเองได้เลยมันดูมันมันดูง่ายอย่าพระอาจารย์สนุกค่ะใช่ดีโอเคนะเดี๋ยวไปท่านต่อไปดีกว่านะ คนณเวลาสินรอจากเยอรมนีประเทศเยอรมนีเป็นยังไงยังไม่ได้ไปทํางานเะรอดับอมรรสนสวัสดีปีใหม่ค่ะท่านซูปเปอร์วเซอร์เขาส่งอีเมลมาบอกบรรจันะคะว่ายังต้องทํางานจากบ้านเราตามนโยบายของรักค่ะเขาอาจจะล็อกดาวน์อีกนานค่ะท่านโยมอาจจะได้ทํางานจากบ้านไปอีก สักพักหนึ่งนะคะซึ่งก็ดีใจมากอย่างน้อยก็เดือนนึงได้ข่าอังกฤษก็รอดดาวอีกแล้วค่ะเพราะว่ามันหนักมากยมก็เลยดีใจเลยค่ะท่านวันนี้รีบเข้าก่อนเลยค่ะแสดงว่าเราพลกวิกพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทนทีท่เราถูกรอดดาวในขั้็เบื่อข้าบนเครียดโยมยมมากเลยค่ะท่านยมไม่ต้องเสียเวลาขับรถไปทำงานค่ะไม่ต้องดีได้ใช้เวลาอยู่บ้านแล้วก็ ค่ะปฏิบัติทำท่านพระอาจารย์ค่ะยมมีคําถามค่ะยมฟังเทศการหนึ่งของท่านหลวงตา ม, มหาบัวค่ะท่านพูดถึงการเสื่อมไปของสมาธิค่ะทีนี้โยมก็ลงทุนลงแร ง, งทําตั้งหลายปีค่ะยมก็ไม่อยากให้มันเสื่อมท่านมีวิธีการที่เราจะป้องกันไม่ให้มันเสื่อมได้ไหมคะอพราก็จํ า, าไปเรื่อยๆไงทาไปเรื่อยๆทำทุกวันทำยาทิ้งมันพอไปทิ้งมันจะพักเดี๋ยวมันเดิมวิธีทําสมาธิไป ค่ะถ้าเราทําทุกวันนี่คือป้องกันการเสื่อมได้แน่ใช่ไหมคะป้องกันได้แน่นอนค่ะแล้วยังจะทําให้ก้าวหน้าขึ้นไปเองด้วยค่ะโยมทุกวันอยู่แล้วค่ะท่านวันละสามรอบค่ะอย่าทิ้งนะค่ะแม้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทําได้ทําบนเตียงไม่ได้เวลาไม่สบายก็นอนทําก็ได้ค่ะทีนี้อีกคําถามหนึ่งก็คือท่านอาจารย์คะโยมโยมทําสมาธิเนี่ยค่ะสงกรานปีเนี้ยค่ะก็จะครบสี่ปีแล้วอะค่ะ แล้วแสงสว่างนะคะมันมาตั้งแต่เดือนแรกๆที่โยมทําเลยค่ะแล้วโยมก็มองมันตลอดเลยค่ะท่านแล้วโยมก็มารู้ทีหลังว่าแสงสว่างนี้คือนิมิตรูปแบบหนึ่งแสดงว่าที่ผ่านมานิยมหลงนิมิตตลอดเลยใช่ไหมคะท่านก็จ่ว่าหลงก็ก็ได้แต่ถ้าเราใช้มันเป็นอารมณ์ให้เราสงบมันก็ไม่มันก็เถอว่ามันก็ได้ในเดีว่า ถ้าไปถ้าไปติดมันแล้วเวลามันไม่เห็นมันแล้วมันทุกข์เนี่ยถึงจะเรียกว่าหลงหลงติดนิดนึงค่ะยมยมใช้พิธีนี้ค่ะที่ทําให้จิตสงบอะค่ะเออวลาเข้าไปแล้วมันสบายอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรามีอะไรพื้นที่ส่วนตัวเราในการแบบทําให้ใจดีขึ้นได้เป็นกระสินได้กระสินก็ใช้แสงใช้สีสีขาวแล้วแสงสว่างสีขาวค่ะแสงจันค่ะแรกๆกมันจะเป็น เป็นเหมือนหมอกเหมือนควันอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใสค่ะดูรักษามันได้หรือเปล่าให้มันตั้งอยู่เรื่อยๆได้หรือเปล่ามันอยู่ตลอดเลยค่ะนต่อยู่ตลอดก็มันก็ไม่เป็นนิ่มๆแล้วมันเป็นกระสินนอแล้วกระสินนี่เราเอาไปใช้อะไรได้หรอคะก็เป็นองค์แทนใช้แทนพุทโธได้ใช้แทนลมหายใจได้เป็นที่ผูกใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเวลาเราเพ่งดูมัน เพ่งดูแสงนี่แล้วใจเราก็นิ่งไม่ไม่ไปคิดอะไรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเพ่งไปสักพักหนึ่งมันก็วูบแล้วไปนิ่งได้ด้วยอะค่ะเหมือนเราบริกรรมดะอัก็ถือว่าเราใช้นี่เป็นใช้แสงเป็นเป็นเป็นอารมณในการภาวนาได้เป็นกรรมฐานอย่างมันมันจะเริ่มจากเหมือนควันไฟอะค่ะไม่ไม่ค่อยใสเหมือนควันแล้วมันค่อยๆใสขึ้นใสขึ้นเหมือนแสงจันนะคะเออ แล้วถ้าเราสามารถควบคุมมันได้ก็ถือว่ามันเป็นกสินแต่ถ้าเราควบคุมมันไม่ได้นี่มันก็เป็นนิมิตนค่ะบางทีมันมันมันมันทําให้คือเวลามันจะรวมมันก็เล็กลงอ่ะนะคะท่านแต่ว่าเวลาจะรวมเนี่ยยากมากค่ะมันทําให้เล็กลงยากมากแต่ทําให้ขยายขึ้นน่ะง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพียงแต่เพ่งดูเฉยๆค่ะอย่าไปอย่าไปบังคับมัน นอกจากมันถ้ามันเวลามันจะจางหายไปแล้วเรายังต้องใช้มันอยู่แล้วก็ดึงมันกลับมาดึงได้ไหมเวลามันจะมันจะหายไปอย่นี้โยมไม่เคยทํานานทำภาวนานานจนมันหายนะคะท่านมันจะหายไปก็ต่อเมื่อโยมเอาพุทโธจ่อค่ะแล้วมันหดเข้ามาหดเข้ามาหดเข้ามาหาตัวค่ะอแล้วมันหด มื่อการหายไปก็ไม่เชิงมันครอบทุกมันถ้ามันทําให้ใจเราสงบก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเราสงบทุกสงบคาทุกข์กับมันเวลานั่งแล้วมันถ้าเกิดบางเวลาไม่เห็นมันมันไม่โผล่ขึ้นมาก็อย่าไปทุกข์กับมันแล้วกันหรือถ้ามันนั่งแล้วมันมันไม่มาเราเรียกมันมาได้เปล่าเรียกได้ค่ะพุทโธมันก็มาค่ะอแล้วเรียกมันได้ก็ใช้ได้ค่ะพุทโธมันก็สว่างมาเลยค่ะท่านค่ะได้ แล้วอีกอย่างมาไค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยให้ท่านพูดก่อนค่ะเพราะอีกอย่างหนึ่ของยมคือคำถามต่อไปค่ะคำถามต่อไปได้เลยค่ะคําถามต่อไปนะคะตั้งแต่ยมเข้าห้องนี้มาค่ะท่านจะเน้นรู้สึกว่าท่านเน้นยมสองอย่างก็คือพุทโธให้อยู่ให้มีสติอยู่ตลอดเวลากับให้ยมเริ่มใช้ปัญญาพิจารณาค่ะออันนี้ยมยมก็เริ่มทํานะคะท่านพอมัน หลุดออกมาจากสภาพอุเบกขาแล้วอะค่ะพอมาร่วมมีการนะคะโยมก็เริ่มพิจารณาแต่ว่าจิตของโยมมันเหมือนขี้เกียจยังไงไม่รู้คะ่ะท่านคนอื่นที่ท่านบอกว่าภาวนาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เอกลับมาทําความสงบหนึ่งชั่วโมงโยมไม่เคยแบบว่าพิจารณาได้หนึ่งชั่วโมงเลยคะ่ะท่านทําเต็มที่ได้ห้านาทีแล้วมันก็จะหนีไปนิ่งสงบอยู่เฉยๆโยมจะแก้ยังไงดีคะท่านโยมภาวนาไม่ได้เออโยมพิจารณาไม่ได้เลยคะ่ะก็ ก็บางครั้งมันให้มันลองท่องอาการสาิบสองไปก่อนดูก็ได้ค่ะขนเล็บหมายถึงบทบทสวดใช่ไหมคะอะยังอไยังโคมีทายวยไม่ต้องสวดหรอกเอาคำแปลเลยเราจะได้รู้ความหมายค่ะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจดับพังผืดตายปอน เราเราก็นึกภาพตามนึกภาพตามแต่ละอ า, าการไปจนกระทา่งเราสามารถมองเห็นร่างกายเป็นเหมือนมองด้วยเอ็กซ์เรย์ธรรมดาเราจะเห็นได้แค่ถึงเนื้อใช่ไหมพอถึงเนื้อแล้วก็ใต้เนื้อใต้ใต้หนังก็มองไม่เห็นใช่ไหมทีนี้ถ้าเราใช้ปัญญาณต่อไปเราจะเห็นทะลุเข้าไปใต้หนังใต้หนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีโครงกระดูกมีปอดมีตับมีไตเนีย เรียว่าท่องเที่ยวในกายนครอันนี้กรรมฐานถ้าขี้เกียจก็ให้มันเบาข้ามให้มันเที่ยวในกายนครท่านหมายถึงว่าหลับตาแล้วมองเห็นของพวกนี้ไม่ต้อหายกืขนคุยกันอย่างนี้แล้วก็นึกมันขึ้นมาได้ไหตอนนี้นึกถึงเงินมันเห็นไหมตอนนี้นึกถึงเงินเห็นไหมเห็นค่ะนึกถึงแฟนเห็นไหมทีนี้นึกนึกถึงกระดูกของแฟนแทนเพราะนั้นนึกถึงแฟนต่อไปก็นึกทะลุเข้าไปข้างในเลย ทุกคนยันมองหน้าเราก็นึกถึงกะโหลกศรีรษะเราก็ได้มันมีอยู่แต่เราไม่นึกถึงมันมันก็เหมือนกับไม่เห็นใช่ไหมไม่มีครับอนั่นแหละคือการเจริญปัญญาเพื่อเห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่ได้เป็นร่างกายที่สวยงามอย่างที่เราคิดหรอกภายใต้หนังเข้าไปนี้มันก็มีแต่ของที่ไม่น่าดูทั้งนั้นเลย ดูตอนมันแก่ดูตอนที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยดูตอนที่มันตายเนี่ยเนี่ยปัญญาเกี่ยวกับร่างกายพิจารณาแบบนี้ไปพอทำอได้ไหมก็คือนึกนึกเอาก่อนใช่ไหมคะก็นกอก็นึกอะการนึกก็คือปัญญาเนี่คยเวลาทํางานคุณเวลาคุณทำใช้ใช้ความคิดคุณก็นึกไม่เห็นเวลาทํางานใช่ค่ะนั่นก็ใช้ปัญญาปัญญาก็คือความนึกคิดเนี่ย ทีนี้มันจะเป็นปัญญาแบบฆ่ากิเลสได้ก็ต้องตัดความอยากได้เวลาเกิดความอยากมันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่างเนี้ยเราก็ต้องตัดมันให้ได้เพราะเรามองด้วยปัญญาเห็นว่าร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้ไม่พน้นถ้าเราตัดได้ใจเราจะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตาย ทีถ้าตัดไม่ได้เพราะว่าไม่มีสมาธิไม่มีอเบงขามีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิคนที่ไม่ฝึกสมาธิแล้วพิจารณาทางปัญญาอย่างเดียวมันจะไม่มีกำลังแต่ถ้ามีสมาธิแล้วพอเห็นด้วยปัญญามันก็จะรู้ว่าอ๋อเราไปอยากไม่ได้เพราะความอยากทําให้ใจเราทุกข์ใช่ไหมอยากไม่แก่มันก็ทุกข์อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทุกข์อยากไม่ตายมันก็ทุกข์ ถ้าเราต้องเราก็ต้องหยุดตอนไปนี้ฉันไม่อยากนะร่างกายจะแก่ก็ให้มันแก่ไปมันจะเจ็บก็ให้มันเจ็บไปมันจะตายก็ให้มันตายไปทั้งของเราทั้งของคนอื่นคิดให้ครอบเลยไปหมดเลยไม่ใช่เราคนเดียวคนทั้งโลกนี้ก็แก่เจ็บตายเหมือนกันหมดยปัญญาคิดอย่างนี้ไปปัญญาไหมปักใค่ะค่ะกลับขอบคุณค่ะทีนี้มีการมาให้ทําแล้วลองไปทําด้วย ค่ะได้กันบ้านแล้วค่ะวันนี้เริ่มอาการ32ค่ะมองภาพไปตาม <2 S 2> นั้นก่อนค่ะเกิดแกเ่เก็บตายค่ะดินน้ําลงไฟก็ได้เนี่ยน้ํางกายทํามาจากดินน้ําลงไปอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยดินน้ําลงไปทำมันเข้าไปแล้วทําท้ายเกิดอาการ32ขึ้นมาพอเวลาตายไปอาการ 32, าราาา ก, าร32ก็แก่ก็ย่อยสลายกลายเป็นดินน้ําลงไฟไปเห็นไหม ตอดูห้มงก็ท่านนะมีอยู่ครั้งหนึ่งอะคะ่ะที่โยมถอนออกมาจากสภาพอุเบกขาแล้วะคะ่ะก<อ>็คิดว่าจะพิจารณากายก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่จิตของโยมอะคะ่ะไปจับหลอดอาหารเลยอะคะ่ะหลอดอาหารที่คือลบโยมก็เลยวันนั้นนะคะเหมือนกับแบบถ้ามันโอเคมันโชว์ภาพนี้ขึ้นมาโยมก็จะพิจารณาเรื่องการย่อยอาหารตั้งแต่กินเข้าไปจนถึงออกมาเป็นกากอาหารอย่างเงี้ยค่ะดูอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยมันก็ใช่ได้ ด, ดูได้หลายแบบดูนักแต่ลักษณะแต่ละคนจะดูะดูให้มันเห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่มีตัวตนมันมีแต่อากาศสาวสิบสองนั่นเองทำไมผมเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นเรารืเปล่าเล็บเป็นเราหรืเปล่าฟันเป็นเราหรือเปล่าแต่เราไปเรียกมันว่าเป็นเราเป็นของเราใช่ไหเราก็คือคนที่เรียกก็คือผู้รู้ผู้คิดคือจิตที่มาเกาะร่างกายนี้น่เ พิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเลยว่าเราไปยึดเราไปสมมุติไปว่ามันเป็นเราเป็นของเรานี่จริงมันไม่ไม่เป็นเราเป็นของเราเดี๋ยวมันก็กลับไปสู่ดินงน้ําหลมไปทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมนะพิจารณาแบบนี้ไปกลับไปกลับมาซ้ำแล้วซ้ําอีกให้มันชํานาญจนกระทั่งเหมือนการทำสูตรคูนเนี่ยพอเน้นถึงสองคูนสองปุ๊บสี่นั่นก็โผล่ขึ้นมา พอถึงร่างกายอาการทา้สองก็โผล่ขึ้นมาดินน้ำลงไฟก็โผกขึ้นเกิดแก่เจ็บตายก็โผก่ขั้นมาไมา่ใช่ตัวเราของเรานะค่ะค่ะกลับ ข, ข, ขอบคุณค่ะโอเคนะคุณก้องกัสิดิทจากเพชรบุรีอันนะี้แม่ไม่เข้ามาเลยยังไม่เห็นไหย ต้องมาใกล้ๆหนเสียงไม่ได้เสียงเบาพี่อาจารย์ได้ยินไหมครับอ่ได้ยินน ะ, ะผมชวนชวนแม่เราแม่แม่เขาบอกว่ายัางยังไม่รอจะถามอะไรครับเออไ ด, ได้มีอะไรไหมคนกล้องอครับครับพระอาจารย์ครับอาทิตย์ด<ะ>ูดังๆหน่อยอดูดั ง, ดงใกล้ๆหน่ครับผมเ อ, อ, อ่อ อ, อาทิตย์ที่แล้วต้องกรับขออภัยพระอาจารย์นะครับที่ถามทําคําถามที่ อ่าสงสัยมากเกินไปครับไม่เวลถามได้นี่จะตอบหรือไม่ตาบก็อีกเรื่องนึงคนถามมีสิทธิ์ถามแต่คนตอบก็มีสิทธิ์ตอบและไม่ตอบครับครัอาจารยครับวันนี้ถามเรื่องการปฏิบัติครับคือมันมันพอนั่งไปบางครั้งมันก็รู้สึกอยู่กับพุทโธได้สบายสบายครับแต่บางครั้งมันก็รู้สึกว่าจุกขกแน่นท้องเนี่ย ถ้ามันเป็นเฉพาะตอนที่เรานั่งเราไม่ทาไปสนใจมันมันเป็นอาการของกิเลสมันสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เราไม่ไม่ไม่นั่งต่อเราก็ต้องอดทนนะอย่าไปสนใจมันจะสนแสดงอาการกวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็เราก็พุโทโธไปดูลงไปผมพุมทธโยไปตอนแรกตอนแรกพอปวดแล้วผมแรกเลยที่วาใช่มันอยากให้เราเลิกไงมันจะหาเรื่องให้เราเลิก พอพระอาจารย์บอกให้ให้อดทนทําอะไรมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นของพระอาจารย์แต่ถ้ามันเป็นแบบตอนนั่งก็เป็นหลังจากนั่งก็เป็นนี่อาจจะเป็นเพราะเรื่องของร่างกายก็ต้องไปเช็คดูไปหาหมอดูนะรู้สึกว่าจะเป็นเป็นตอนนั่งครัพออถ้านั่งดูหนังไม่เป็นนั่งสมาธิเป็นกสแสดงว่าเป็นกิเลส น, นะครับนะ ตอนนี้ยอาที่ละคาถามก่อนนะจะคนเยอะจะได้เดี๋ยวมีรอบสองรอบแรกนี้ขอให้ถามคนละคำถามก่อนดีกว่านะแเดี๋ยวจะได้กลับมารอบสองได้อ่าเด็กชายพีรศิษฐ์ ค, คุณชื่ออะไรจะหนูมาลีค่ะอ่ะาดังๆหน่อยเนียชื่อมาลีค่ ะ, ะมาลีอยู่ที่ไหนวันนี้หนูไม่ได้อยู่นครนายกนะคะคุตที่แล้วอ ว่าคราวนี้อยู่ที่วุฒากาศนะคะวุฒากาศกลับมาอยู่ที่กรุงเทพนะกลับมาแล้วค่ะว่ามามีอะไรไหมหนูทำเรื่องปฏิบัติะคะ่ะคืออันเนี้ยพุทธที่สามแล้วที่หนูมาฟังสลวงพ่คพร า, าจารย์ใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีเนี้ยเวลานั่งเนี่ยรู้สึกว่าจิตมันสงบเพิ่มขึ้นสงบขึ้นนะคะแล้วก็นั่งได้นานแต่ว่าแต่ว่า สองสามวันเนี่ยมันเวลานั่งแล้วมันเหมือนคนเดินแล้วตกตกแบบเหมือนตกลุมหรือว่าตกอะไรที่แบบบุบอย่างเงี้ยแต่หนุ่มหนุ่มไม่ได้หลับแล้วก็ยังรู้สึกตัวตลอดเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันแปลว่าแล้วมันสบายไหมมันมันบุบแล้วมันสบายหรือเปล่าสบายสบายก็แสดงว่ามันสงบครก็ให้รู้ ใ, ให้มีสติรู้ไว้เฉยแต่มันสงบก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้ไม่ต้องพุดโธไม่ต้องอะไรก็ได้ให้มีสติดูมันไป หนูแค่สงสัยว่าเอ๊ยเราเราก็ไม่ได้หลับเราก็รู้สึกตัวแต่ทําไมมันมันเหมือนมันล่วงอย่างเงี้ยค่อานั่นแหละเวลาจิตสงบมันจะมันจะล่วงเอาละคะ่ะอ่ามันสงบแบบล่วงก็มีสงบแบบค่อยๆลงไปทีละขั้นก็มีค่อยๆลงไปก็มีไม่ไม่ได้แปลว่าสติน้อยหรือว่าอะไรนี้ใช่ไหมคะไม่หรอแสดงว่าจิตมันสงบ กาใหมีสติดูมันไปประคับประคองให้มันอยู่เฉยๆให้มันเน่งไม่ให้มันคิดอะไรแล้วทีเนี้ยคือพอที่ถามที่หลวพ่อบอกว่าต้องมีสติ่ะตั้งแต่ตื่นจนหลับใช่ไหมคะทีเนี้ยมันจะมีจะมีช่วงที่หนูต้องต้องทํางานหรือทาบัญชีอะไรพวกนี้เขาก<ช>็ก<ช>็มีสติอยู่กับการทํางานไปอยู่กับความคิดเรืของงานได้ค่ะถ้าจําเป็นต้องคิดเรื่องงานก็คิดได้ แต่ถ้าจะไปคิดเรืยเปื่อยเพื่ อ, อคิดเพื่อฝันก็หยุดมันค่ะแล้วทีนี้เวลาสมมติหนูลุกจากทํางานพักๆหนึ่งหนูก็จะลุกออกจากจากอคอหนูเดินอย่างหนูเดินไปห้องน้ําอะไรเงี้ยค่ะก็มีสตินึกกับการเดินไปหรือพุโทโธไปพ อ, อ ก, ก้าวขาพุา๊บอะมันมันขึ้นมาที่หัวว่าพุโทโธพุโทโธอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไร น, นั่นแสดงว่ามีสติสติเริ่มทํางานแล้ว ดีกวไปปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าให้มันคิดต้องขับความคิดอย่าให้มันคิดคิดตัดแต่เรื่องที่จําเป็นต้องคิดต้องหมายว่าเราต้องการหยุดความคิดก็หยุดแล้วจิตมันสบายจิตมันได้พักผ่อนแล้วทีเนี้ยพอหนูนั่งไปสงบสักครึ่งชั่วโมงองนี้ยใช่ไหมคะหนูก็หนูก็ออกจากสมาธิใช่ไ่มคะเสร็จ แ, แล้วทีเนี้ยหนูแต่ว่าหนู่ยังนั่งนั่งอยู่ก็คือเหมือน อันนี้เราเริ่มเริ่มพิจารณาเป็นปัญญาได้แล้วใช่ไหมคะได้หรือว่าจะกลับเข้าไปสมาธิอีกอีกรอบก็ได้แล้วแต่เรามันมันสลับอะค่ะหลวงพ่อคือหมายความว่าพอหนูออกครั้งแรกเนี่ยพอสมมติครึ่งชั่วโมงไปแล้วอั น, นอันนี้ไม่ได้ดูเวลานะคะคือรู้สึกเสร็จเสร็จแล้วหนูหนูก็มาคิดคิดสักพักหนึ่งเรารู้ว่าเออยังสมมุติว่าความเอาเวทนาเราเกิดใช่ไ่มค ะ, ะหนูก็ปล่อยปล่อยมันนึกถึงที่หลวงพ่อบอกว่า ไม่ต้องไปสนใจมันก็ให้ให้ให้วางเฉยไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าก็ปล่อยมันไปพอพ อ, อพิจารณาเสร็จแล้วบอกว่าเออมันก็เป็นแค่กายเราเจ็บปวดใช่ปะแต่ใจเราไม่ได้เจ็บอย่างเงี้ยหนูก็หนูว่าคิดแบบนี้ค่ะถูกต้องแล้วใจเราเฉยได้หรือเปล่าเฉยได้ค่ะเฉยได้ไมาใช้ได้พอเสร็จแล้วพราะมันมันจบ มาจบแบบนี้ใช่ไหมคะ ห, หนูก็กลับมามันมาขึ้นพุโทโธอีกอย่างเงี้ยมันจะผิดไหมคะไม่ผิดครับแสดงว่าเรามีพุโทโธเรามีสติอย่างต่อเ น, นื่องพอหยุดคิดแล้วก็พุโทโธต่อไม่ให้มันคิดพอหยุดพิจารณาเรากกลับมาพุโทโธต่อจะนำสติต่อไปอ ย, อย่างนี้ถือว่าถือว่าเดินเดินถูกแล้วใช่ไหมคะ ถ, ถ, มถูกแล้วถ้ามีพุทโธเนี่ถูกนะ คือถ้านั่งสมาธิแล้วพอออกมาถ้ากลับไปนั่งถ้าให้มันเข้าไปสมาธิใหม่ได้ก็ให้มันเข้าไปก่อนดีกว่ายังไม่ต้องกังวลเรื่องปัญญามากนะพยายามให้มันเข้าสมาธิบ่อยๆจนกว่ามันเข้าไม่ไหวมันทนไม่ได้แล้วค่อยมาทางปัญญาเราต้องการฝึกสมาธิให้มากๆให้มันมีอุเบกขามากๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทางปัญญาต่อไป เพราะปัญญาที่ไม่มีอุเบกขาก็าไปใช้ประโยชน์ไม่นะเหมือนมีดที่ไม่ได้รับเอาไปก็ใช้ไม่ได้ต้องรับมีรับจิตใจให้มันมีอุเบกขาก่อน <K _> ถึงจะเอาปัญญามาใช้ฟังก <K _> ิเลสต่อไปได้โอ้พ่อหนูจริงๆหนูเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วทีเนี้พอหนูมาฟังหลวงพ่อเนี่ยมันทําให้เวลาหนูจะปีติขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมาหยุดหนูอยู่ในหัวว่าให้ ให้ควบนะอะไรไะมันมีสติ่งสติมันเมื่อก่อนไม่สติแตกพอนนั้อยากจะทำอะไรว่าอะไรมันก็ปล่อยไปเลยอย่างนี้มาฝึ ก, กจิตแล้วรู้แล้วว่าการมีสติ<ช>ควบคุมอารมณ์นี่มันดีกว่าไม่มีปัญหาตามมาดีแล้วล่ะนะทำไปเรื่อยๆน ะ, ะเดี๋ยวถ้าอยากจะไไถามคำถามเอ่ามาบนุนนุนุขอ ถามปัญหาอย่างเนี้ยพคคลเท่าที่หลวงพ่อจะจะเปิด z ูมอย่างเนี้ได้ไหมคะหมายถึงถามเรื่องการปฏิบัติอะไรเงี้ยถ้าเจออะไรปัญหาอะไรเงี้ยถาม ไ, ได้ได้เนี่ยก็เนี่ยมามาเนี่เพื่อให้ถามไงใครมีคําถามอะไรก็ถามได้แต่ครั้งนี้คนเยอะต้องให้ถามควรจะคำถามก่อนได้คะ่ะวันนี้หนูมีคําถามแค่เนี้ยค่ะนอกจากมันเป็นคําถามต่อเ น, นื่อง<ม>ก็อาจจะถือว่าเป็นคําถามเดียวกันได้ โอเคนะเดี๋ยวไปท่านต่อไปนะขอบพระคุณค่ะคุณธรมวิสาจากสวิตเซอร์แลนด์วันดีจ้าค่ะกรรมนมัสการค่ะพระอาจารย์สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านพระอาจารย์วันดีปีใหม่ค่ะคืออ่พอดีเข้ามาตอนคำถามเริ่มต้นของของของคุณโยมท่านหนึ่งแต่พอดีมาตรงกลางกลางแล้วเหมือนคล้ายคล้ายคํ า, ค, าคำถามที่ โยมจะถามพระอาจารย์นะคะคือเมื่อสี่วันก่อนเจอข้อสอบค่ะแต่คิดว่าตัวเองโดนโดนข้อสอบอคิดว่าโดนกิเลสหลอคือคือเหมือนตัวเองเหมือนจะเป็นไข้เป็นหวัดเหมือนโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะดู<อ>าจากอาการมาก็เลยไปกินยาอใช่ค่ะก็เลยไปกินยาคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไม่มีอาการแบบนี้แล้วไปกินยาเราจะได้รู้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นก็เขาบอกถ้ากินยาแล้ว อ า, อาการปวดหัวเหลือการแบบนี้มันก็จะไม่หายก็ไม่อยากให้ไปแพร่เชื้อก็เลยกินยาค่ะทีนี้พอพอพอกมาไปแล้วมันหายแสดงก็เลยคิดว่าโอ้ยโดนกิเลสหลอกแล้วทีนี้วันถอ่อมาขึ้นมาอีกวันหนึ่งคือคือหลังจากวันวันนั้นนะคะคือมาอีกวันหนึ่งก็ตั้งแต่เริ่มกลางวันเริ่มปวดท้องค่ะพระอาจารย์ปวดท้องมากจนจนจนมาถึงข้ามจนถึงเวลาปฏิบัติก็ ก็นั่งปฏิบัติขณะที่ปวดท้องแต่มันก็ปวดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทีนี้หนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่ละมันมันแบบข้อสอบข้อนี้มาให้เราไม่กำกวมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออจะไม่กินยาเพราะว่าอาการปวดท้องอันนี้ก็คือว่าเคยเป็นมาตั้งนานแล้วอะค่ะแต่ไม่เคยไม่เคยเป็นมาอยูเลยหลายปีมากแล้วค่ะ แล้นี้ก็มาเกิดเมื่อเมื่อเมื่อวันนั้นก็เลยก็เลยไม่ทานยาเพราะารู้ว่าถ้าทานยาแล้วต้องหาก็อะออเอเร า, าจะได้รู้ว่าเอา่อให้มันเป็นยังไงให้ถ้าเกิดเราเจ็บป่วยจริงๆเราจะอยู่กับมันได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ทานยาพอจนออกสมาธิเรามันก็ไม่หายก็ปวดขึ้ น, นเรื่อยๆแล้วก็เอ๊ะใช้ความคิดเอ๊ะเราไม่กินยาแต่เราเอากระเป๋าน้ําร้อนมาประคบแล้วก็นอนไปแล้วก็แล้วก็ดูลมหายใจไปแบบนี้ นี่หนูก็ยอยากมีคําถามพระอาจารย์ว่าอันนี้อหนูคิดเห็นถูกต้องไหมคะว่าถ้าเกิดเราไม่กินยาแต่เราใช้กระเป๋ า, าน้ําร้อนประคบเพื่อบรรเทาแล้วก็ดูลมหายใจไปจนกระทั่งเราเหลไปอะไรอย่างเงี้ยคะมันมันช่อฉุดเราหรือเปล่าคะช่อฉุดเราต้องไม่ใช่อะไรต้องใช้พลังของเราใช้ใช้สติใช้ปัญญาของเราอย่างเดียวโอค่ะถ้าเกิดเราไปอยู่ในที่ไม่มีกระเป๋ า, าน้ําร้อนจะทำยังไงอ้าวค่ะ ใช่ไหค่ะเข้าใจถ้าทุ่งตนั่นไม่ถือก็ป๋าลมร้อนไปกับท่านเราทําไปแบกปวดเข้าป่าให้เราใส่นั่งสมาธิไปสู้กับมันไปค่ะอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะต่อไปก็คือก็ฝึจะสู้กับมันก็อย่าไปใช้อะไรเลยใช้พลังจิตของเราใช้สติใช้สมาธิของเราสู้กับมันจะได้ฝึกสติฝึกสมาธิไปในตัวด้วยค่ะค่ะ เข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะับขอบคุณมากค่ะวันนี้ยังหนาวอยู่เปล่าหนาวเพิ่มขึ้นค่ะพระอาจารย์คือกี่ศูนย์ค่ะศูนย์นะค่ะยิมากตกไหมตอนนี้ตกค่ะตกข้างบนแล้วก็ตอนนี้ก็ตกแล้วตกตกหยุดหยุดมาสองสามวันแล้วค่ะท่านโอเครักษาตัวให้ดีนะค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์เช่นกันค่ะ เป็นเอจากเชียงรายเชิญกลับมวัฒการพระอาจารย์ครับ ม, มีอะไรไห อ, อวันนี้มีขอรายงานผลการปฏิบัติในเ อ, อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอาจารย์โอเคสรุปหน่อยก็แล้วกันนะไม่นองยาวครับผมไม่ยาวครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เจอเวทนาเข้าไปครับอาจารย์ในช่วงตอนเช้าครับเพราะผมปฏิบัติตอนเช้า่ทุกวันครับ ก็นั่งไปมันก็ปวดขาครับอาจารย์แล้วเอ่อผมก็พูดโท้พูดโท้ไปก็ดูความปวดไปแล้วก็ mm. ก็เอ่อตอนแรกก็เอายอมอยู่เย็นไปก่อนแต่ก็มันไม่อยู่ครับพระอาจารย์ผม ก, ก็นั่งไปแล้วก็พิจารณาไปพิจารณาก็พิจารณาดึงเอ่อเอาหนังออกมาดูสิเอาน่องออกมาเอาเอ็นออกมาเอาเนื้อออกมาดู เอากระดูกมาดูว่าม่เป็นปวดปวดตรงไหนก็พิจารณาพิจารณาไปพระอาจารย์มันหายไปเลยครับพระาอาจารย์เออมันหายแล้วมันเกิดความสุขโอ้ตื้นตันใจมากครับอาจารย์อืมขอบคุณขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้แบบว่าเห็นอย่างเงี้ยมันมันโลกแล้วขอบคุณครูาบาอาจารย์พระาอาจารย์ด้วยที่สั่งสอนมาเงี้ย ค, ครับอาจารย์เแล้วมันเน้อมันเจ็บเลยนั้งมันเจ็บเลยเอ็นมันเจ็บเลยกระดูกมันเจ็บเลยครับใช่ครับก็ ดูเอาหนักลอกหนังมาดูดูน้องดูเอ็นดูกระดูกดูเยื่อในกระดูกเงี้ยพิจนาไปมันหายไปเลยครับพระอาจารย์ก็เลยเล ย, เลยกลับมาเรียนพระอาจารย์นะครับก็ทํำนี้ไปเรื่อยๆครับรไปแจ้ความเจ็บปวดก็ใช้ปัญญาถ้าใช้สมาธิใช้สติไม่ไหวก็ใช้ปัญญามาแยกแ<ม>ยะให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นแค่ธาตุน้ำกายดินน้าลงไป เหมือนต๊เก้าอี้เนี่ยแล้วนั่งเป็นนานๆเก้าอี้มันเจ็บไหมข้าวุ่นอือข้าดู่มันก็เหมือนเก้าอี้ใช่ไหมข้าวุ่นมันเป็นมันก็เป็นของแข็งเหมันก็เก้าอีเป็นธาตุดินเหมือนกันข้าบุมอือข้าวุมนกระดูมันไม่รู้เรื่องอ่ะเวลามันเจ็บอนี่ยตัรู้เนี่ยมันตัวปัญหาเจ็บแล้วมันไม่ยอมรับความเจ็บของที่เกิดขึ้นอยากจะให้มันหายมันก็เลยเกิดความทรมานใจขึ้นมา เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาครับผมใช่ครับถ้ายอมรั บ, รบถ้ายอมรับมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมยอมครับครับแล้ว ม, ม, มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปปฏิเสธไม่ได้มันเจ็บแต่เราไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาต่อต้านมันนั้นเองอย่าไปอยากให้มันหายครับผมแล้วใจจะไม่เจ็บครับผมครับแล้วก็มีมีอีกอีกเคสหนึ่งก็เอ่อตอนตอนหวัว ก่อนนอนนะฮะนั่งสมาธิครับอาจารย์เอจิตมันคือพุทโธพุทโธมันแบบว่าหายใจเข้าพุทแล้วหายใจออกโธใช่ไหมครับอาจารย์มันไม่อยู่ครับหลังจากั้นผมก็ก็รัวครับพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยครับแล้วเสร็จแล้วมันเหมือนกับว่ามันมันห้องเองครับอาจารย์เหมือนคือมันจะเหมือนเออที่ประจอนเราฮะมันจะพุทโธพุทโธพุทโธอยู่เงี้ยผมก็ดูมันก็พุทโธพุทโธจนกระทั่งผมออกสมาธิครับพระอาจารย์ เออผมจะนอนมันก็ พ, พูดโทรพูดโทรอยู่นะผมก็ผมก็นอนพูดโทรจนจนตับไปฮะแต่แต่ผมก็ไม่ได้สนสัอะไรก็ผมว่าอืมก็สัมปะชญะสติสัมปะชญญะมันต่อเนื่องอ๋อต่อเนื่องเหรครับอืมมันเหมือนอัตโนมัติสติอัตโนมัตไม่ต้องไถลลานไม่ต้องคอยเที่ยวคอยเทนเมัอนอ๋อครับเริ่มแล้วมันเริ่มเดินของมันเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปบังคับมันอ๋อครับ เหมือนอาจารย์เมื่อก่อนนี้คนก่อนนี่คนมารีก็เหมือนกันมาพูดโธพูดโทรไปไมาเองถ้า ม, มันก็เป็นคืนเดียวฮะอาจารย์แต่แต่ผมก็ไม่ไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ไปยึดกับมันไงเอเ อ, เอพยายามฝึกไปเรื่อยๆครับัผมเดี๋ยวเวล า, า, าจะใช้มันจะได้มามันจะได้มาอย่างรวดเร็วทางใจอืมมันเหมือนมันเหมือนหัวใจเต้นเหมือนชีพจรมันเป็นจังหวะเลยวะอาจารย์อพูดๆพทดๆอย่างนี้ยครับอืม ได้ครับผมพรอาจารย์อยากจะว่ารู้ไปรู้ว่ามันไม่เที่ยงเกิดแดับมาแล้วไปอย่าไปอยากทํามันอย่าไปอยากถ้ามันมาถ้ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่แบบไม่ไม่ไม่ต้องมีมันก็ได้หรือถ้ามันจะมาแล้วก็พูดโธพุทโธของเราขึ้นมาก็ได้ครับผมครับผมนะครับขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับอาจารย์ผมท่านต่อไปอาจารย์อาจารย์พิไลจ่าภูตตอธรม สวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างออันม่รูก่อนอันไม่รูไมโครโฟนอ่าโอเคครับสวัสดีค่ะอาจารย์อ่าเป็นยังไงสบายดีเหรอค่าสบายกันดีค่ะอครั้งเดียวเหรแล้วมีแล้วมีเพื่อนฟังด้วยหรือเปล่ามีค่ะมีนะมีเพื่อนฟังอยู่ค่ะอ่าดีเราจะขออนุญาตเป็นออฟเซอร์เบอร์ค่ะฟังไปเรื่อยๆฟังแล้วก็นั่งปฏิบัติตามไปเลยนะคะโอเคได้ค่ะ ค่ะคุณค่ะเพื่อนฟังมาเพื่อ้างหลังมาวันนี้จา้าเพื่อนโอเคนอนควางครับเออนอนหังก็ได้อย่าหลับก็แล้วกัน <c oughs> อาจารย์สายทิพต่อาอจารย์มหาสาครคามเชิไม่ได้ยินเสียงอาจารย์เปิดรู้สึกเวลาเข้ามาไม่ได้กดไอ้ตัวคอมพิวเตอร์หรือเปล่ามัน เสียงอาจารย์ไม่เข้ามาเลยอาจจะต้องออกไปใหม่แล้วเข้ามาใหม่น ะ, ะเวลาเข้ามามันจะถามว่าใช้ใช้ใช้เสียงอะไรหรือเปล่าแล้วต้องกดใช้เพาไม่กดมันก็เลยไม่เข้ามาเข้ามาแต่ภาพเดี๋ยวเข้ามาใหม่ก็แล้วกันนะ อ, ะอ ค, คุณทัศดาจากสัตย์ที่ คนที่ก็อดอาหารเก่งนะอดอาหารตั้งเจดวันมาปฏิบัติโน้ตือสิ่งที่บ้านอยู่ค่ะตอนนี้เล้วอ่าค่ะวันนี้พรุ่งนี้สาวันค่ะอ๋ออดหรือเปล่าเรมเริมเมื่อเดียวอยู่บ้านน่าจะได้วันนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่บ้านเขาเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจแต่ว่าวันนึงน่าจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะเอ๋ออดวันแไหนวันพรุ่งนี้เลย น่าจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะปฏิบัติสามวันค่ะตั้งแต่วันพักมาแล้วเมื่อวานนี้เ อ, เอาวันนี้วันพักวั น, นี้ค่ะวันนี้เพิ่งเมื่อตอนเย็นค่ะโอเคแล้วก็เมื่อกี้พอดีมีคําถามแต่ว่าพี่ผู้ชายเขาถามแล้วหนูก็เลยเป็นคําตอบหนูไปแล้วค่ะโอเคดีค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมวันนี้เจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนอยู่ของหนูคืออยู่แต่ตรงหน้าอกยุบ มันขึ้นลงขึ้นลงมันอยู่แต่ตรงนี้แล้วก็เหมือนทุกทีเราต้องคิดแล้วดึงมาแต่นี้มันไม่ต้องดึงมันอยู่เอลก็เลยเหมือนพี่เที่พี่เขาบอกว่าเขาพุทโธพุทโธเรามีสติแล้วไม่ต้องคอยดึงคอยลากมันเนี่ยมันเป็นบางวันนะก็พยายามทำแบบนี้เรืยให้มันเป็นอัตโนมัติเป็นเมเป็นหมือนงาติดตัวตามตัวเราเลยนะเราดูอย่างเดียวใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างนั้นให้สักแต่ว่ารู้ไปเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ถ้าไม่คิดปรุงแต่งก็รู้เฉย ันสบายะถ้าปรุงแต่งก็ต้องหยุดความคิดปุงแต่งโอเคเจ้าขาเ <c oughs> ขาก็คุณเจ้าค่ะขาคุณสุภัฒนาจากบอวินใช่ไมมมหมต่างรัมสกานพระอาจารย์เจ้าค่ะจากบอวินเจ้าขาพระอาจารย์เอ่ไม่นี่มีคําถามหเปล่าแล้วฟังยังไงอ๋อไม่แน่ใจว่าถามไปแล้วพระอาจารย์จะดูเบาคะ่ะเราจะเราจะ<ด>ถามาว่าการวางขันเนี่ยวางยังไงคะพระอาจารย์ ก็ปล่อยมันไงมันจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยมันแก่เจ็บตายไปมันจะเจ็บมันก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะไม่เจ็บก็ปล่อยมันไม่เจ็บไปไม่ต้องยุ่งกับมันไม่ต้องยุ่งกับมันนะคะก็คือเราเราเราอยู่ของเราในชีวิตประจําวันมันจะมันจะเป็นเพรารู้อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ค่ะคือความอยากนี่มเป็นตัวที่ทําให้เราไม่ได้ปล่อยวางถ้าเราไม่มีความอยากก็ถือว่าเราปล่อยวางแลค่ะ ก็คือเห็นตามสภาพปล่อยมันไปตามสภาพตามความเป็นจริงนะตนะตอนนี้แต่บางทีก็ต้องมีเหตุผลปล่อยบางทีก็ถึงแม้จะปล่อยก็ยังต้องดูแลมันก็ต้องดูแลไปบางคนปล่อยแบบไม่ดูแลเลย <c oughs> น้ำไม่อาบนวดไม่โกนแต่กลียนอยู่ <c oughs> อย่างงี้แสดงว่ามันไม่ปล่อยจริงอออ่ปล่อยแบบขี้เกียจปล่อยแบบขี้เกียจ ปล่อยแบบคุณค่ะือปล่อยในสิ่งที่เราทําอะไรไม่ได้นะใช่นเวลามันเจ็บเนี้ยทําอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันเจ็บไปค่ะแต่ถ้าเรายังมีหน้าที่เลี้ยดูมันก็ต้องเล้ยงดูมันไปถามน้าหมีผ้าวีผมอะไรไปไม่ใช่ปล่อยแบบไม่มีการดูแลเลยปล่อยเป็นเหมือนเหมือนคนไม่ไม่ไม่ไม่เหมือนคนเสียสตินี้ไม่ไม่ใช่ออปล่อยแบบนั้นไม่ใช่่ะก็ค่ะ ก็ยังดูแลความเรียบร้อยให้มันอยู่นในในที่ว่าของความสวยงามความถูกต้องมีงามแต่ไม่ไปไม่เปกังวลกับความเจ็บความตายมันจะเจ็บจะตายก็เรื่องของมันนะะครักษาได้ก็รักษาไปดูแลได้ก็ดูแลไปแต่ถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยอค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ประกาศแล้วมาสักการ์พระอาจารย์ด้วยค่ะ วันตีใหม่ไม่ได้เข้าวาพอดีอยู่บนรถโดยสารก็เลยไม่เข้าค่ะฟังอย่างเดียวเอ้ได้เจ้ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์คุณผู้าญจากนครปฐมเชิญหายไปหลายอาทิตย์เนี่ยนะไปปฏิบัติหน้าเลยที่อยู่มาครับเออนี่กลับกลับมาบ้ที่บ้านเลยเข้ามาบนที่บ้านอยู่ที่ไหนว้านอยู่จังหวัดไหนอยู่ปากช่องหดวร่าครับวัดป่าธรรมกิจลีนอ่ อาจารย์อะไรเป็นอาจารย์ครับอาจารย์โคมอภิวโลครับอาจารย์โคมครับชื่อโคมนะโคมโคมครับโคมอาจารย์โคมอภิวโรท่านบวชได้กี่ภรษาแล้วรู้ไหมน่าจะสิบห้าภาษาครับสิบห้าท่านเป็นลูกติดคุณแม่จันดีครับอุณแม่จันดีดีครับก็ปฏิบัติอยู่นั่นก็ ทำสติได้ต่อเนื่องดีแล้วก็ทําได้เยอะแล้วก็ฝึกเมสัชิกด้วยครับเออดีไม่นอนได้เลยก็ไม่นอนครับอืมกี่วันนะลองยคผมลองคืนทั้งคืนเลยแล้วไปอีกวันหนึ่งครับมแล้วก็ค้อยลงนอนให้น้อยลงที่น้อยลงเออแล้วก็สชั่วโมงก็พอไม่ถึงครับบางวันก็บางวันก็ชั่วโมงครึ่งบางวันก็ อ่าดีอ่าดีแสดงว่าเรามีสติมากแล้วก็อยู่ที่ั่นก็พัฒนาขึ้นบันผ่านวิทนาได้เพ่ อ, อท่านก็ให้เริ่มพิจารณาเรื่องธาตุร่างกายเป็นธาตุสีในน้ำในไฟมีอาการ32 เกียรติยาเจ็ตายไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณานะ ไ, ไปให้มันมันทั้งเราปล่อยร่างกายนะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายทั้งของเราและของคนอื่นด้วยทุกคนเลยร่างกายทุกคนปล่อยปล่อยหมดนะโอเคมีคําถามไหมเัาเข้ามากราบระอาจารย์ดิโอเคได้เห็นไปที่ท่านต่อไปเลยนะ คุณจีบจากเมร์เรลลเป็นยังไงตอนนี้นหนาวไหมหนาวเาค่ะสวัสดีปีใหม่คะ่ะท่านอาจารย์พัดิญยม์นะพาไปด้วยคะ่ะพาไปกาไ ร, ร ไ, ปาไปแล้วก็พูดโทรไปด้วยคะ่ะก็เลยรู้สึกแบบเตินช่วงนี้ปีใหม่แล้วก็จิตก็สงบ ข, ขึ้นค่ะแต่ว่าพอช่วงเริ่มปีใหม่ก็จะมีสิ่งมาก่อกวนเล็กน้อยแต่ว่าก็ ก็พยายามดูอารมณ์ตัวเองอะค่ะว่าเอออันนี้จิตมันคิดแบบนี้เนาะอะไรที่มันเป็นต้นเหตุของการคิดแบบนี้แล้วก็พยายามได้สติให้มันเป็นว่าเออมันอันนี้จังทุกขังอนัตตามันก็ไม่เที่ยงไรนะคะก็พยายามใอานิยมใช้ปัญญาไปอั น, นิยมคิดถูกไหมคะเวลามีอารมณ์ขึ้นแบบใช้ใช้อานิจังทุกขังอนัตตาดับอารมณ์ได้ ค่ะแล้วก็พยายามไม่มองให้มันเป็นเรื่องที่จะต้องเอามาคิดบ่อยๆนะ เ, <อ>เลยายา่อยค่อยปล่อยปล่อ ย, อ, ยอดีตไปไป่อยนาคตไปให้อยู่ในปัจจุบันแล้วบางครั้งโยมนั่งสมาธิมันจะเหมือนมีแสงมุกสว่างวาบมากเลยตอนหลับตาก็ <c oughs> ให้รู้เฉยๆไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปยึดไปติดมันมันมันมาเข้ามาเดี๋ยวมันไปก็ปล่ายมันไปมันก็จะ มาตุ้งแต่งจิตเป็นเรื่อยๆแต่เราก็แค่ดูรู้ว่าเ อ, อิมดูเฉยดู<ช> <ๆ S 2> เฉยแล้วกลับมาพูดโธกลับมาดูลงอย่าไปสนใจกับเรื่องอะไรทั้งป่ า, าค่ะโยมก็มีเท่านี้ค่ะก็จะไปาม า, มม า, ากเจ้าค่ะอคุณสลินทอนติดตามมา่อกันหน้านเรนตานี้เมื่อกี้ต้องคุยกับสลินทอนเองนะคะพอดีว่าเขายุ่งมากเลยแล้วสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเขาก็ไม่ติดมากทางเจ้าค่ะ เขาจะเข้ามาเดี๋ยวเขอาจจะเข้ามาทีหลังก็ได้อะค่ะช่วงนี้เขาก็ก็ดีได้เจอลูกแล้วค่ะวก็ปัญหามากวนการที่แ้กเขาก็แนะนําให้ลูกเข้ามาทักทายแล้วอะลูกโยมก็ให้ลูกมาแต่ว่าตอนนี้หลับอยู่เพราะว่าเขาเขาเรียนสายยมปลกแล้วเขาก็ไม่ต้อโอเคค่ะพระสวัสดีพี่มัน การ์ดนมัสการเจ้าค่ะคุณพัทละพลบัวุพจากสเปนอิบิซาสวัสดีการ์ดนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เจ้าค่ะอนุโมทนาปัจจัยที่ได้โอนเข้าบัญชีให้แล้วนะครับกราบได้รับแล้วกราบสาธุเจ้าค่ะเข้ามาสวัสดีปีใหม่แล้วก็อ่าจะกราบหลวงพ่อว่า คริสมาสปีใหม่นี้ชนะตัวเองเจค่ะ <Yeah. S 2> ไม่ทําสีผมอ oh, <yeah>, yeah. วางขัน <laughs> เออปล่อยวางร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่มันไม่เที่ยงทงํางานไปไก็เปลี่ยนความจริงไม่ได้หรอกปล่อยให้มันอยู่ไปตามความเป็นจริงของมันดีกว่าเราจะได้สบายใจไม่ต้อ ง, งไปช้องกับมันดังนั้นต้องคอยทำอยู่เรื่อย ใช่เจ้าค่ะปกติลูกจะทุกเดือนเลยค่ ะ, ะแล้วก็ปีนี้ก็ตั้งแต่ปีนี้ค่ะแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวเอาไวค้คริสต์มาสแต่พอคริสต์มาสเนี้ยก็ลแฟนยังไม่รักก็แล้วกันนะเจ้าค่ะเขามองค่ ะ, ะเขามองอเพราะว่าปกติคิดเราปล่อยมาแล้วเราก็เออเดี๋ยวคริสต์มาสเอาไว้คริสต์มาสแล้วน้องลิลก็บอกอคุณแม่จริงๆเหรอคุณแม่จะแม่ก็เดี๋ยว แล้วเขาก็มองอะค่ะเขามองแล้วแล้วก็ยงก็อืแล้วแต่การละเทสะแล้วกันเนาะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะบางทียังเป็นต้องทําก็ทํำไปไม่แต่อย่าทำเพื่อพ่อเกเรเราแล้วกันทำเพื่อเป็นหน้าที่อะไรของเราไปก็ทำไปเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกก็คิดอย่างนั้นแล้วก็ก็ไม่อยากทําแล้วตอนนี้เล็บผมอะไรก็คือไม่อยากทําไม่อยากอะไรแต่ะ เขาก็มองหน้าเราก็บอกเอาแล้วแต่กาละเทศะเราถ้าเราก็ทำก็ก็จะทําก็แบบที่หลวงพ่อแนะนำมา่เจ้ะแล้วก็ช่วงคริสต์มาสปีใหม่เนี้เหลือสินเจ็ดเจ้าค่ะหลวงพ่อกลับมเจ้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงเริ่มใหม่เพราะว่าวันนี้เป็นวันเป็นวัน คริสต์มของสเปนอีกอีกวันหนึ่งนะคะจะล้อมกันเยอะไปหน่อยกินกินกันเยอะไปหน่อยใช่จ้ค่ะตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามแล้วแล้วลูกก็ดูตัวเองนะค่ะพิจารณาตัวเองว่าเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่กินกินกินกินแล้วก็ก็ก็คือมันเป็นช่วงเวลาของครอบครัวจ้าค่ะแล้วบางทีเราก็ต้องนั่งดูหนังเป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยแล้วใจนะค่ะมันไม่อยากดูมันไม่อยากอะไรแล้วมัน มันแบบมันฝื่นความรู้สึกแต่แบบนะเรายังเป็นมีครอบครัวก็ยังนั่งแล้วแบบมันมันฝืนนะคะเพราะเราไม่อยากจะดูไม่อยากจะรับฟังอะไรแล้วเงี้ยค่ะก็ต้องรักษาครอบครัวไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปทําส่วนของเราเวลาที่เราอยู่ส่วนตัวของเราก็แล้วเวลาที่ต้องทําหน้าที่แนบ้านแล้วก็ทําหน้าที่แน่บ้านไปเจ้าค่าหลวงพ่อแล้วมันก็อ่า แล้วก็ลูกมีเรื่องเรียนก็คืออ่าไม่อยู่วันหนึ่งตื่นมาใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็ตื่นมาแล้วก็คือบ้านเราเป็นคนอังกฤษใช่ไหมคะก็จะดื่มชาสามีก็จะดื่มชาใช่ไหมก็ตื่นมาปุ๊บก็มาชงชาเขาแล้วก็ยื้นชงชาแล้วพุทธโทมันออกมาเนะะี่ยค่ะมันออกมาที่เรายื้นชงชาแล้วมันก็พุโทโธแล้วก็อ้าวพุโทโธมันออกมันออกมาจากในหัวใจเราเองนะเจ้าคะ่ะอ่ดี มันจะได้หยุดคิดได้ไงถ้ามีพุโทโธมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เจ้าค่ะแล้วมันก็มีคิดขึ้นมาอีกว่าทําไมฉันต้องมายืนชงชาคือแบบอฉันไม่อยากทําอะไรแล้วฉั น, ฉนอยากจะทั่งย่างนันพุโทโธก็หายไปแล้วเลยเจ้ค่ะทูตเจ้าค่ะหพอพราคุณเจ้าค่ ะ, ะถ้ามีพุทโธมันก็ไม่คิดถ้ามันหยุดพุทโธมันก็คิดพอมันคิดจะรับออกใช้พุทโธหยุดมันใหม่สาธุเจ้าค่ะ ก็คือมันคิดว่าฉันไม่อยากมายิ้นชงชาแล้วฉันอยากจะนั่งภาวนาแบบไม่อยากรกแล้วอันนั้นก็เป็นกิเลสนะอยากจะทําในสิ่งที่เรายังทําไม่ได้นะถึงแม้จะเป็นเป็นธรรมะก็ตามแต่ถ้ามันอยากและทาให้เราทุกข์ก็แสดงว่ามันเป็นกิเลสแล้วลูกจะต้องทํำยังไงต่อคะก็ไปทําตอนที่เราว่างตอนนี้เราตอนตอนกำลังทํางานเป็นเหมือน คนเสิร์ฟในร้านอาหารทำไปเสริรชาเขากินไป <Okay. S 1> เสิร์อาหารใหไปเดี๋ยวเสร็จเสร็จหน้าที่เราล้วก็ค่อยไปไปปฏิบัติของเราต่อเนี่ยต้องเราต้องรู้ว่าตอนนี้เรากําลังทํางานอยู่อยากไม่ได้เจ้าค่ะอยากแล้วมันทำให้เราทุกอยากแบบนี้มันก็เป็นกิเลสถ้าไม่อยากจะไปปฏิบัติมันก็เป็นกิเลสเจ้าค่ะเพราะมันทําให้เราทุกเนี่ยสะาดทุกเจ้าค่ะหลวงพอ่อใช่เจ้าค่ะแล้วแล้ว แล้วมันก็มีคําตอบของตัวเองว่าแบบก็คือเราไม่อยากเกิดอีกแล้วเราไม่อยากจะเกิดมาแบบมายื้นชมชามาทําอาหาเราจะต้องปฏิบัติให้แบบไม่เกิดแล้วเพื่อไม่ต้องมายื้นทําอะไรอย่างเงี้ยลูกคิดถูกน<ล>ะ่ไหมถู ก, <า>กแต่เราต้องถามตัวเองแล้วเราพร้อมที่จะเลิกกับเขาหรือเปล่ปานี่นะเราดูว่าพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านพร้อมไหมท่านพร้อมที่จะทิ้งทั้งหมดไหมทิ้งลับราชวังทิงะทิ้งภรรยาทิ้งลูกไป ถ้าเราไม่อยากจะเกิดแล้วก็ต้องทิ้งพวกนี้ไปให้หมดได้หรือเปล่าอย่างยาไปอยาอย่างเดียวอยาก็ต้องถามด้วยว่าทาได้หรือเปล่าค่ะมีแผนค่ะอ่<ะ>าก็ทาทําแผนไว้ก่อนแล้วเราเตรียมตัวไว้ก่อนพอถึงถ<า>เวลา <ทำ S 1> พร้อม<ผ> เ, า<ว>เ้าก็ไปเลยกระโดดออกจากเครื่องบินชักมีร่มที่ร่มชูชีพแล้วเราก็สบายแนละ้ว ไ, ได้ถ้าไว้เราต้องปฏิบัติหน้าถ้าเราจะทิ้งทุกอย่าง อะไรยังปฏิบัติไม่ได้ไปทิ้งไม่ได้ทิ้งนอนเดี๋ยวเราจะไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเจ้าค่ะเจ้าค่ะกราบขอบประคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะโอเคสบายดีนะทั้งเดียวเดียวไปไงเดียว อ, อันนี้เมียนนอร์ไนไหมเมียนออนไลน์ใช่ไหมไม่ครับที่ที่พิซซ่าเพราะว่าไม่มีคนไม่มีเคสโควิดไม่มีเลยไม่ไมีเลยเออนี้นะเด็กชั้เปรี้ยวดีดีเเป็นเกาะนะครับเขาเลยคุณค่าปลอดภ คนที่ขึ้นก่อนนี้เขต้องใช้ก่อนนีก็ตรวจก่อนนี้แล้วต้องตรวจก่อนเข้ามาครับเออลยดีกว่าเมืองอื่นในสเปนที่ว่าเขาผอย่างโอเคไปตั้งใจเรียนหนังสือนะโอเคไปที่ท่านต่อไปคุณไอโฟนชื่ออะไรคุณไอโฟนนามสการค่ะผู้อาวุย์อยู่ที่ไหนจําไม่ได้แล้วบาร์บินชองซรีคาวบาร์บิน ชื่ออะไรออไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ iPhone ก็ได้ค่ะค <c oughs> ชื่อชื่อเล่นชื่ออ้อมค่ะค่ะชื่ออ้อมนะค่ะวันนี้ไมวันนี้วันนี้ไม่มีคําถามค่ะแต่มีเพื่อนฝาดมาถามค่ะอ่าเชิญค่ะพอดีเพื่อนเขาสงสัย ว่าเหมือนเขาไปบนบานหลายที่แล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเขาประสบความสาเร็จแล้วเขาจะกลับมาสถานที่นั้นทีเนี้ยมันเขาไปพูดไว้หลายที่แล้วเขาลืมไม่รู้ว่าที่ไหนเขาก็เลยอยากฝากมาถามพระอาจารย์ว่ามันจะมีผลกับชีวิตเขาไหมนี่เลยทำไมเราเป็นคนคนเขาเลยว่าคนไม่บริสัทธานั่นเองไป ไปสัญญุงสัญญากับใครไว้แล้วก็ลืมไปเี้แสดงว่าเราไม่ไม่มีใจที่มีความรับผิดชอบงั้ก็ต้องพยายามฝึกใหม่ต่อไปไปบนที่ไหนจดเขียนไว้ก็ได้ถ้าเราเป็นคนขี้ลืมใช่ไหมเราไปบนที่วัด น, นั่นไปบนที่ศาล น, น, นู้นศาลนี้ก็เขียนจดไว้จดไว้เดี๋ยวพอถึงเวล า, าได้สิ่งที่เราบุญล้วก็ต้องไปแก้บุญละสิ ทางที่ดีอย่าไปบนนี่แล้วกันถ้าเพราะความจริงบนไม่บนมันจะได้มันก็ได้มันมันไม่ได้อยู่ที่บนก็ไม่บนแล้วแต่าเราไปเชื่อว่ามันมันได้มาเพราะบนมันก็เลยมันก็เลยมันก็เลยติดเวลาอยากจะได้อะไรก็ต้องไปบนเข้าใจไหมตากนี้ถูกไหม ถูกคะพระอาจารย์แล้วที่ผ่านมาที่เขาลืมไปอะค่ะพระอาจารย์ pensando, lim <S <s um à, จะแก้อย่างไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าว่าลืมก็พยายามนั่งคิดดูสิมันไม่มันมันจะลืมได้แค่ท่ามันคิดไม่ถึงได้เลยเรามานั่งนึกนานก็เดี๋ยวมันก็อาจจะนึกออกเองเริ่มตั้งแต่ที่แรกที่ไปดูหรือที่สุดท้ายที่ไปแล้วไล่กลับไปดูก็ได้ค่ะค่ะอาจารย์ โอเคนะท่านี้นะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณเคนคุณเคนจากที่ไหนคนที่พระอาจารย์เหรอครั บ, อ, บอ่า อ, อ, อยู่ที่ไหนเขาอยู่ระยองครับพระาจารย์มีอะไรไหมครัสบสองสามรื่องนิดหน่อยครับอาจารย์ก็อาจจะต่อกันนะครับคือขณะที่เราภาวนาเนี่ยจ <c oughs> ิตเรารู้สติเรารู้อยู่กับคําภาวนาแล้วทีเนี้ย มันจะมีไอ้ตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่ากิเลสเข้ามาครับอาจารย์ตัวกลัวผมรู้ทั้งพุทโธแล้วผมก็เห็นไอ้ตัวที่มันกลัวก็คือจิตของผมเองเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ผมจะทํายังไงต่อครับพระอาจารย์ก็อยู่ที่พุทโธอย่าไปอยู่ที่ไอ้สิ่งที่ทําให้เรากลัวอืมก็คืมันยังมันยังยังสู้กับพุทโธอยู่ครับอาจารย์มันมันยังเห็นชัดเจนเลยครับพระอาจารย์ทั้งสองตัวทั้งพุทโธแล้วก็ตัวกลัว ก็ไม่เวลานก็ต้องสู้ไปต้องเกาะติดพุดโทรไปแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจหรือจะคิดด้วยปัญญาก็ได้เห็นก็เห็นเลยถ้ามันจะทํำลายเรามันทําเราไปนานแล้วน่ะใช่ไหมอาจารย์มันมันมันก็แวบขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ตัวว่าเอ๊ะถ้าเรากลัวเนี่ยเราไอ้ตัวเนี้ยเมื่อเมื่อได้ร่างกายเรามันไม่มีอะไรแล้วมันว่างมันไม่มีแม้แค่ตัวรู้แล้วทําไมเราต้องกลัวแต่มันก็ยังแย้งเข้ามาอีกเหมือนเดิมเหมือนอาจารย์ไอ้ตัวกลัวกับ พูดโธเนี่ยก็เหมือนดูหนังผีอ่ะหนังพีก็รู้ว่ามันมันไม่ออกมาทําอะไรแเราแต่ก็ยังกลัวมันอยู่ใช่ไหมว่าเราไปเอาจริงเอาจริงกว่ามันมันเป็นเพราะว่ามันมันมันหลอกหรือเปล่าครับอาจารย์ใจเราไปอินกับมันไปมันก็เราไปไปเป็นจริงเป็นจังกว่ามันอันนั้นที่มันเป็นเหมือนภาพล้อภาพหลอกเราภาพบนจอจอใจเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์กับ ที่ผมไม่ได้เอาเข้อพุทโตเข้าไปในในในจิตลึกหรือหรือในสติลึกๆรื อ, อยังไงครับอาจารย์คือสติเราอยังน้อยไงมันเลยทําให้ใจเราไปผลิตไอ้ภาพที่น่ากลัวนี้ขึ้นมาได้คือมันมันเหมือนมาคุยกันด้วยอะไรประมาณนั้นองค์เพราะเรายังไม่อยู่กับพุโทโธอย่างอย่างสม่ําเสมออ๋อเราอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับเรื่องไหนอ๋อและอีกอีก วิธีหนึ่งครับอาจารย์ขณะที่เรานั่งสมาธิเนี่ยช่วงที่ว่าสมาธิจะรวมตัวเนี่ยมันเหมือนกับอาการง่วงพรอมง่วงไปปุ๊บแล้วรู้ตัวเองว่าง่งวงตั้งสติขึ้นมาทําไมมันมับเหมือนการรักษาตัวอ่าครับอาจารย์มันสบปบังก<ส>เลยท<ส>พอสติน้อยสติในกําลังน้อยต้องไปนั่งในป่าชา้ามันจะไม่สะบับะงงอกแล้วต้องอมีอะไรมากระตุ้นใจให้มันตื่นความกลัวผีเนี่ยมันจะทําให้เราตื่นไปนั่งในป่าช้านี่มันจะทําให้เราไม่ไม่หลับ ภาบางรูปท่านไปนั่งที่หน้าผาเลยชอบสับประงกนะสับประงก็ตกผาไปเลยอย่างนั้นมันต้องมีอะไรมาคอยกระตุ้นถ้านั่งอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยนี่เดี๋ยวมันก็หลับสับประงกครับอาจารย์ก็คือเมื่อมันเมื่อมันง่วงไปปึ๊บพอรู้สติสติตื่นขึ้นมาเอ้ทาไมมันเหมือนมันเหมือนมันมันได้นอนอิ่มเลยมันเหมือนมันกับก็มันหลับไปนอนเลย มันหลับไปนานแต่เราไม่รู้สึกตัวเราหลับ ม, มันค่ดว่าแป๊บเดียวบางทีหลับไปนานก็ได้ขณะที่เราถูกขึ้นมาเอ้ยมันเหมือนสติโอ้โหมันชัดเจนเลยครับอาจารย์จะนั่งต่อไปไม่ได้มันจะบริกรรมไปต่อไปก็ไม่ได้เลยครับอาจารย์มันคำบริกรรมหายไปเลยครับอาจารย์ถ้ามันง่วงเราลุกขึ้นมาเดินทางก็ได้เดินเจ้ากงทางอ๋อครับอาจารย์ถ้านั่งหลับมันก็ไม่ได้ไประโยชน์เลย อาจจะได้พักผ่อนทางร่างกายโอ้ถ้าขันไม่ไหวก็พาระอาจารย์โอ้แตรอาจารย์มค่ น, นี้ก็ประาจารย์โอเค<ป>คุณวิไลชันชันธรินทุ์ทไม่ทราบว่าอยู่ไหมเ่อเปิดภาพแล้วแต่ไม่ไ้เปิดเสียงไม่เห็นหน้าเห็นตาจะเข้ามาหรือเปล่า ไ, ป ไ, ปไม่ไม่เลาได้เปิดนะเห็นไปที่คุณ T H Thailand ครับ T H Thailand เชิญสวัสดีค่ะได้ยินไหม้ยคะได้ยินได้ยินมีอะไรเหรออยู่ที่ไหนครั้งกเลขไต้พูดมีตยจังสวัสดีค่ะบ้านอยู่ที่ไหนอ ย, อยู่ที่บ้านพุกคะ่ะที่ไหนนะ อยู่ที่บ้านผู้อำเภอหานใหญ่จงังหวัดสงขลาไกลนะอยู่อยู่ใต้หาดใหญ่เป็นไงมีคําถามอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเพรว่าบางเทีย น, นเวลาอยู่ที่โรงเรียนนั้นแล้วก็แล้วก็แบบเวลาทําข้อสอบอะไรอย่างเงี้นแล้วก็เพื่อนแล้วก็แบบบางเทียนเพื่อนมาขอรถอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางเทียนแล้วก็แบบแบบทําการบ้าน แ, แบบอย่างเงี้ยแล้วก็ บางทนีนพอพ อ, พอเราไม่ให้ร้อนแล้วเพื่อนก็แบบไม่พอใจนลยอ่าก็เราก็ต้องเลือกระหว่างความดีกับความไม่ไม่ความถูกต้องกับความไม่ถูกต้องกับเพื่อนถ้าเพื่อนก็ชอบความไม่ถูกต้องแล้วเราไม่ทําตามเขาเราก็เสียเพื่อนดีกว่าเสียความถูกต้องไปถ้าอาจารย์สั้นแล้ว ก, แวก็แล้วก็แบบว่าการที่เราแบบให้เพื่อนเล่าข้อสอหรือว่าการบ้านที่เิ็บคะแนนนี่แบบ มันเป็นการผิดศีลด้วยหรือเปล่าเราไม่ผิดหรอกแต่เราไปส่งเสริมให้เขาผิดทําให้เขาเสียคนได้เขาจะไม่แต่มันด้วยแต่ว่ามันก็แต่ว่ามันก็แต่ว่ามันก็ไม่ดีใช่ไหมไม่ดีไปส่งเสริมให้เขาขโมยความรู้ของคนอื่นไปแต่ว่าคนอื่นตแต่ว่าแต่ว่าถ้าทํามันมันก็ผิดศีลและทําด้วยใช่ไหมเราไม่ผิดหรอกแต่เราไปไปสนับสนุนเขาป้าอาจารย์สชาติแล้วก็ แล้วก็แบบทําไมแบบขี้เกียจทําการบ้านจังเราแบบครูสั่งการบ้านแบบนี้แล้วก็แล้วก็แบบแล้วก็แบบขี้เกียจทําก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ทํานี่ก็ก็เรียนหนังสือเดี๋ยวกาจะไม่ได้คะแนนดีแล้วก็าจะสอบตัวก่อนจะเรียนไปไม่ประเด็นไม่ได้สูงก็ได้ว่ขี้เกียจต้องบังคับต้องบังคับว่าการเรียนนี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จําเป็นเราจะต้องเรียนต้องทําการบ้าน เพื่อชีวิต <c oughs> เพื่อนาง ก, กที่ดีต่อไปแล้วแล้วนี่แล้วก็แบบว่านั่งสมาธิแบบว่าจิตไม่เคยสงบจริงๆเลยนั่งแบบไม่มีสตินะมันไม่มีพูดโธรอย่างต่อนเอนื่งแบบแป๊บเียวแล้วก็แบบนั่งได้แค่แบบเดียวก็นั่งไหวเพะนั่งนั่งสวดมนต์ไปก่อนนะลองนั่งสวดมนต์ทีปิโสไปก่อนสวดแท่งน้อยจบล <c oughs> องสวดไปหลายๆจบสวดไปไม่ทีปิโส สวดเป็นค่ะแล้วก็สวดไปสวดไปแพ้ใจไม่ได้ออกเสียงก็ได้แล้วก็ตอนนั้นเคยสวดแบบรายรายจบแล้วแล้วก็แบบบางเทียนแบบตื่นมาว่ารุ่งแล้วก็ว่วงแล้วก็บางทีสวดสวดแล้วก็หลับไปบ้างแล้วก็ตื่นมามาสวดใหม่อก็ทําไปก็สติเรายังน้อยอยู่สวดไปสักพักก็หมดสติหมดแรงก็หลับค่ะขอบคุณค่ะท่านี้นะค่ะคุณจอยเป็นยังไงเด็กๆไม่มาเลย อ่าอยู่ไหนกันอยู่ข้างหลังเะอยู่ข้างหลังกันแล้วทำงานบ้านเนี่ยเล่นๆกันดูทีวีทำงานบ้านกันอยู่ค่ะโดนโดนกักตัวค่ะพ่อจันใช่ครอสี่วันโดนโดนไปไปอยู่กับคนเสียงเลยไปอยู่ไปต่างจังหวัดมาแล้วพอกลับมาเขาให้กักตัวสิสี่วันเี่เขามีด่านก็มีด่านนั่นเลยไม่ใช่ค่ะที่บ้านให้กักเองเขากลัว ก็เลยอยู่บ้าน14วันก็เลยถือศีล8 14วันเลยแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะเนี่ยค่ะโอ้แล้วไม่ต้องไปะค่ไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปทํางานไปไปไม่ได้เลยใช่ค่ะไปได้อย่างนี้ที่นี่ก็ไปสายบาสไม่ได้เลยใช่ค่ะไปสายโอเคเพิ่งกลับมาเพิ่งเริ่มกี่วันแล้วเนี่ย3วัน3วันแล้วเลยค่ะ<อ>ใครให้ใคร การให้กักแฟนแฟนที่บ้านบอกให้กักเลยไม่ใช่ค่ะคนเจ้าของที่ทํางานนะคะเจ้าของที่ทํางานที่เราเอาเข้มาม่ให้เราไปทํางานสิบสี่วันใช่ค่ะขเขากลัวใช่ค่ะตอนนี้ที่ชลบุรีมันเป็นเยอะมนันเขาเลยกลัวอ่อโอเคเดี๋ยวร้อนไหมล่ะกักตัวนี้ก็ไม่เดีือดร้อนเท่าไหร่ค่ะก็แต่ว่าเด็กๆ อ, อาจจะมีแบบงงหยินแล้วเราออกไปซื้อข้าวกินได้ป่ะซื้อข้าวซื้อ อ, อะไรได้ปาะ ไม่ได้ค่ะก็เขาเอามาให้กันแม่เอามาให้ที่บ้านเขาส่งกับข้าวให้เดนจะได้จะได้ปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่อะไรอย่างนี้ใช่นึกนึกถึงที่พระอาจารย์เคยพูดว่าถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมจริงจะมีคนเอาอาหารมาส่งอนึกถึงแล้วก็แบบเขาเอากับข้าวอาหารมาให้กันเต็มเลยค่ะเลยแบบสบายเลยเดนกับกับสบายกว่าไปทํางานนี่เองใช่ค่ะนึกอยู่ว่าเออมันโชคดีแล้ว ได้กักตัวแต่ว่ า, ด, าด้วใช่ค่ะก็เลยเธอสิมแปะไปแล้วก็ อ, านนอ่ า, า, อานหนังสือธรรมะอ่านหนังสือที่ไปที่วัดมาค่ะเอามาอ่านอืได้มีเวลาได้อ่าน่ะเออนี่งั้นเอาวางไว้เฉยๆตอนอยากชยยาติหนังสือไปแล้ววางไว้เฉยๆตอนมีเวลาตอนไม่สบายหรอะไรเนี่ยถึงจะมีเวลามาค่ะใช่ค่ะถ้าปกติก็ไม่ค่อยได้อ่านเพราะาทำงานแต่พ อ, อนีม้มีเวลาได้อ่านเยอะเลยค่ะโอเคดีมีอะไรจะถามไหม ก็อยากจะถามอยากจะรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยค่ะมันรวมๆแล้วหมายถึงยังไงอะคะก็มันเป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยรูปคือร่างกายของเราเนี่ยรูปนี้หมายถึงร่างกายที่มีอาการ312ผมขนเล็กฟันหนังเนี่ยคือรูปเข้าใจัไห อ, อเวทน า, ญญาเวทนาก็ความรู้สึกเนี่ยแล้วสัญญาค่ะสัญญาความจําได้ไงคิดจำ จำเรืงนั้นจำเรื่องนี้นนนก็าเลยสัญญาสังขารกับความคิดปรุงแต่งคิดว่าจะไปไหนดีจะทำอะไรดีเนี่ยสังขารวิญญาณก็คือตัวไปรับรูปรับรูปเสียงกลิ่นรดเข้ามาเนี่ยนะคเี่ยมันมีอยู่ในตัวเราเนะี่ยอยู่ในใจเรานอกจากรูปรูปมันไม่ได้อยู่ในใจร่างกายนี่มันอยู่ข้างนอกใจแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ในใจเราอยู่ข้างในใจเรา นะโอเคนะอ่าท่า น, นี้ก่อนนะอ่าคุณอดีอ่าห้าเชิญรั ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้มาวัดที่บ่ามาปฏิบัติที่วัดที่บ่ากางกลางวันเช้ามาใส่บากรพระอาจารย์ไงคะแล้วขึ้นไปเขาไม่นั่งสมาธิหรือเปล่าอ๋อวันนี้เปลี่ยนไปที่พระเียพระเสี อ, ะอะระยะเมตไพอ่ะคะ่ะ เพราะที่แล้วบนบนดมหนูเจอแมงวีลุมมากกับปุ่มก็เลยวันนี้เลยไปที่ภาษีภาษีดีมากเลยค่ะวันนี้ไม่มีคุณหนูนั่งสมาธิแล้วรู้สึกสบายใจแบบหัวใจพองโตกลับบ้านอีกแล้วค่ะอ า, าจารย์ดีจดังเลยวันนี้ ด, ดีสงบก็ดมีมีความสุขค่ะแต่แต่หนูขึ้นไปขวาดขวาดใบไม้บนบนดุมนะคะว่านูนดุมหนูก็อยากจะไปขวาดอยูด้วยนะคะดีดีทำบุญไป ก็ไม่มีไมไม่มีอะไรเนี่ย่มีค่ะวันนี้เข้ามาฟังรู้สึกได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยค่ะจากผู้ที่ปฏิบัติที่เขาทำฟังดูนะคะแล้นั่งฟังด้วยได้ความรู้สิ่งที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติเราจะได้รู้ว่าเขาปฏิบัติได้เราต้องปฏิบัติให้ได้นะนี่ค่ะตะเกยร์ที่ฟังพี่ที่ว่าอยู่ประเทศอะไรนะเยอรมันหรือเปล่านะคะเอที่บอกว่า นั่งแล้วเห็นอะไรอย่างเงี้ยละพระอาจารย์บอกให้เข้าไปที่กายนครหนูฟังชุดนั้นรู้สึกสนุกมากเลยค่ะเออด็นั่คือการเดินปัญญาค่ะโอเคนะไม่มีอะไรถามอาจารย์ครับอาจารย์อย่าลืมสติเนยรักษาสติไว้ตลอดเวลานะค่ะค่ะหนูพยายามพุทโธไว้ค่ะพอรู้สึกว่าพุทโธไว้ถ้านั่งสมาธิไม่ค่อยมากแต่ก็ต้องเอาพุทโธไว้ให้ไว้ให้มั่นได้ก่อนได้สติกันได้ก่อน ขอาใช่ค่ะรกาศขอบพระคุณพูดอาจารย์ค่ะกพี่จากสุราธานีทำไมกาแฟอรรนมาสการ์ครับครับจะสอบถามเรื่องสภาวะธรรมครับเมื่อก่อนนะครับี่คือมีรูปบาปิคาเน่รูปปั้นอะไรที่คนเขาให้มาครับแล้วก็เอามาไว้แล้วตอนแรกก็คืออ่านหนังสือว่าแบบว่ามันไม่ใช่ทางเนี้ยเรารู้สึกว่าผักใส ก็แปลว่าเออไม่อยากไม่อยากบูชาเอาไปเก็บไว้แต่พอตอนนี้ครับเราเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะครับเราก็เอามาตั้งเฉยๆเราก็ไม่รู้สึกอะไรว่าแบบว่ามันเป็นเทพหรือว่าเป็นอะไรมันคือแบบมันเป็นของชิ้นหนึ่งอ่ะคือใจเราแบบว่าไม่ได้แบบว่าคิดว่ามันไปยึดอะไรตรงนั้นนะครับเออมันเป็นตุ๊กตาความจริแบบรงมันก็เป็นแค่ตุ๊กตาแล้วเพียงแต่มันสือว่ามันเป็นเทพให้เราตั้งเองเป็นตัวแทนของเทพแต่มันตมันเองว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเทพหรอก เราเป็นตุกตามนุษย์เราตั้งมนุษย์เราปั้นกันขึ้นมาเองนะแม้แต่พระพุทธรูปก็เหมือนกันเราเจอรูที่เรากล่าวว่ามันก็เป็นตุ๊กตาที่มนุษย์เราปั้นขึ้นมาให้เรากลาบเพื่อสื่อให้เราให้เราให้ถึงตัวพระพุทธเจ้าที่ที่เกิดมาในประเทศอินเดียครับเท่านเองก็คือผมเข้าใจถูกถูกแล้วใช่ไหมครับนแต่ว่าเราอย่าไปลบหลูว่าแล้วกันถ้าเราไม่ให้เขาไม่เชื่อแล้วก็ทํำเราก็วางไม่เฉย ครับสาสตร์ทูเขาอาจจะไปทำอะทาลายจิตใจของคนอื่นที่เขาเคารพนับถือได้ครับอาจารย์นครับและอื่นก็ก็ก็ใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้อยู่ครับเดี๋ยวถ้ามีเรื่องเดี๋ยวไปรบกวนถามครับผมใช่ครับกอบคุณครับท่านต่อไปคุณธนิดคุณธนิดได้ยินไหมอยู่ที่ไหนหายไปแล้วหลุดเลยหลุดหลุดครับ เห็นไปที่ท่านต่อไปก่อนนะคุณคุณาพลังวิงไลจะเป็นในซองใี่ไหมเป็นในซ อ, องบ้านอำเภอใช่ ไ, าาไหมใช่ค่ะพ่อรามแต่ว่าอย่งไรมีอะไรไหมวันนี้เอาก่อนที่ไม่ได้เข้าฟังพระอาจารย์นะคะแต่ว่าฝากคาถามไว้เรื่องของการปฏิบัติพูดดังข้างหน่อยนะเบาไปหน่อยครับพระอาะจารย์เอ ก็วันนี้ยังอยู่ที่ทํางานอยพระอาจารย์เดี๋ยวะจะเริ่มกลับนะคะแล้วก็ตอนกลับก็เดี๋ยวจะฟังในรถต่ อ, อยมยมมียมมีสามีกับลูกที่เป็นคนคริสต์ค่ะที่เคยเรียนพระอาจารย์แต่ว่าปฏิบัติก็ปฏิบัติรวมกันอยู่ในห้องด้วยกันอย่างที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่าตอนนั่งสมาธิอะค่ะทุกคนก็ยังเปิดเพลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายมก็ยังยังพยายามตัดความลาคาญที่ด้วยใช้ทาบริกรรมอยู่อะคะ่ะ ตอนนี้ก็ยังทําอยู่บางทีกับพวกเขาค่ะเขาก็นั่สนุกเขาก็มาฟังมาฟังพระอาจารย์เทศด้วยก็ <aroma> เราหาในอูทูเสียอวไายานั่งสมาธิต้องมีเสียงรบควรเอารู้ฟังเนี่ยที่เสียบเข้าไปในหูม่ไมันก็จะลดเสียงได้พอสมควรค่ะ <filling> แล้วถ้า<อ>ปิดไปนั่งอยู่ในห้องได้ก็ไปอยู่ในห้องเจดตูตตอะไรมันก็จะเบาลง ได้ค่ะแต่ว่าแบบนี้เนี่ยก็ก็ถือว่ามีสมาธิแต่ว่ามีสมาธิแป๊บเดียวเหมือนที่พระอาจารย์ว่าค่ะว่าเหมือนหินทับหญ้าพอพอออกจากสมาธิปุ๊บแล้วเราก็มีกิเลสตามมาเช่นดูทีวีต่อหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโยมก็จะพยายามจะปฏิบัติก็ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆตามสภาพตามตามอัตภาพของเราถ้ายังไปเปรียบวิเวกไม่ได้ก็ทําเท่าที่เราทาได้ไปก่อนค่ะพระอาจารย์แต่อย่าไปเครียดอย่าไปหวังมากเมไม่ได้เราจะเครียดนะ เอยินดีตามมีตามเกิดตามกําลังของเราไปก็โยมจะน้อมนําคําสอนพระอาจารย์นะคะช่วงนี้จะปิดพระอาจารย์มากเลยจะเอาแฟลชไดร์มาฟังด้วยฟังเพลงก็ไม่สนุกก็รู้สึกว่าอยากจะฟังคําสอนของพระอาจารย์ตลอดแล้วทำบ้างฟันกว่านนะมีสารามีประโยชน์มากกว่ามีมากเลยเป็นที่เพื่อของใจทำมังสะระนักระชามี่ะคอันนี้ก็พยายามจะปลอกพนักงานเพราะว่าเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีอะค่ะ พนักงานหลายคนก็อย่างวันนี้มีน้องโทรศัพท์มาร้องไห้เพราะว่าเราก็คงจะต้องคุยนว่าอาจจะต้องมีเจ้าหน้าไว้าใช่ค่ะน้องก็ร้องไห้เราก็เลยตอนนี้ไม่มีแขกเลยใช่ไหมไม่มีแขกมากเลยค่ะวันนี้มีสองห้องเลยค่ะอาจารย์สองห้องที่ที่วอริท่านี่ไม่มีเลยเมื่อเช้าไปบินสบายถามก็ไม่รู้แต่วันนี้มีประกาศมาน่าจะน่าจะทําให้การเป็นทางไปยากขึ้นเออยากขึ้น นี่ถ้ามีใบอนุญาตอะไรต่างๆก่อนก็ต้องทำใจถือว่าพิกวิกฤตเป็นโอกาสดีเราจะได้มีเวลาว่างได้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์โยมด้วยค่ะเรื่องของการมีสติอ่าค่ะทรัพย์สมมาข้ามความเงินทองตายไปก็ไปไม่ได้พอมีพอถ้าเราพอมีพอกินก็อย่าไปกังวลกับมันเลยเอาเวลามาสร้างทรัพย์ภายในคือธรรมดีกว่าอริยทรัพย์ไปดีกว่า นะโอเค okay. มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมมีแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะถือโอกาสสัปดาห์ละครั้งนะคะไปไปใส่บารกับพระอาจารย์ได้โอเคสาธุค่ะครับคุณนมนคนุมลมาตรานัตร า, มตราไม่ทราบจะยินหรือเปล่าปิดมืดจอมือดคงไม่ได้ยินนะจะได้ข้ามต่ออามาแลเปิด แ, แล้วครับไ ป, แ ล, ปแล้วครับ กลับนมาสการอยู่สวีเดนเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เคยไปกลับนมาสการท่านพระอาจารย์สองครั้งกันชั้นญาณขาดสะดุดชั้นญาณสะดุดเดี๋ยวเราดูสิจะกลับมาหรืมามาได้หรือเปล่าเดี๋ยวผ่านคุณมลไปก่อนนะเอามาได้ เจ้าค่ะอยู่สวีเดนเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เคยไปกาศน้ำมันสการพระอาจารย์สองครั้งเจ้าค่ะสองครั้งกับลูกชายเจ้าค่ะแล้วนี่มาครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยเข้ามาในครั้งนี้เพิ่งเข้ามามาซูมครั้งแรกเจ้าค่ะแต่ก็ติดตามไปแอบฟังขโมยฟังอยู่เรื่อยเวลาว่างเจ้าค่ะมีอะไรจะถามไหมก็ ช่วงนี้ก็คือทํางานเยอะเพราะว่าสซบเดนเขาไม่ยังไม่ได้ปิดนะเจ้าฮะตั้งแต่เปิด uh huh. มาเขาตั้งแต่มีโรคระบาดเขาก็ไม่ได้ปิด hmm. แล้วก็โยมก็ทํางานแบบเปิดร้านนวดแล้วก็มีพนักงานอยู่ด้วยก็เองก็นวดเองด้วยอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะก็เคยปฏิบัติแบบจิตนิ่งจิตสบายแต่พอหันมาทําธุรกิจ ต, ตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้มีเวลาอ่าน้อยลงแล้วก็เหนื่อยด้วยก็ความที่เกียดของโยมด้วยเจ้าคะ่ะ แต่พอช่วงหลังๆรู้สึกว่าจิตใจมันไม่มีพลังแล้วเพราะว่าคืเราไปวุ่นกับเรื่องงานเรื่องภายนอกมากกว่าแล้วก็ไม่มีเวลาดูจิตใจตัวเองนะเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็ก็เลยคือมันมันไม่ได้ไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะใช่มันเหมือนกับเหมือนเหมือนกับจิตใจมันมันไม่มีพลังแล้วก็เลย ก็เลยพยายามปฏิบัติตามทางที่เคยปฏิบัติมาก็คือแต่ ก, กําหนดพุโทโธมันก็ไม่อยู่แล้วจะ ก, กําหนดลมหายใจก็หายากแล้วก็เลยเอพยายามมีสติสวดอิติปิโสอยู่ในใจไปตลอดเท่าที่พอจะทําได้เจ้าค่ะได้ยังงคะอาจารยจะเข้าจะเข้านั่งสมาธิเนี่ยก็คือแบบมันจะหลับอย่างเดียวนะเจ้าคอะท่านพระอาจารย์เหมือนกับเราไปกดจิตแล้วมันก็จะหลับอย่างเดียวนะเจ้าค่ะเพราะเราทำงานมากมนั่งกายมันเหนื่อย เจ้าค่ะเขาเเวลา น, นั่งเฉยๆมันอะไรม่วงง่ายเจ้าค่ะเขาไม่เป็นไร<ะ>ถ้านั่งไม่ได้ก็สวดมันไปพอะมันจะหลับนอนไปถ้าผ่อนไปแล้วให้รอตื่นขึ้นมาตอนตอนเช้ามดืดหรือตอนสว่างก็ลองเราทําตอนนั้นก็ได้เพราะตอนนั้นมันจะไม่ม่วงนะเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็เลยตั้งสติขึ้นมาว่าไม่ได้ถ้าอย่างนี้จะปล่อยตัวเองเกินไปมันก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องออกเดินเดินภาวนาเหมือนเมื่อก่อน ที่เคยทําคือเดินไปเนี่ยสองสามกิโลเมตรแล้วก็สวดอิติปิโสไปในใจไปด้วยแล้วรู้สึกว่าจิตมันค่อยๆเริ่มเข้าที่ขึ้นมาแนละเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ดีได้ออกกําลังกายด้วยได้ออกกําลังใจด้วยเดินจงโกงค่ะ<ป>เสร็จแล้วทีนี้พอทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆบางทีจิตมันพอมันมาทิ้งตัวสวดอิติปิโสไปแล้วทีนี้มันเข้ามาดูในกายของตัวเองนะเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เป็นบางขณะจิตนะเจ้าค่ะเข้ามาดูในร่างกายว่า มันเห็นเป็นอวัยวะภายในเห็นเป็นกระดูแต่พอติดเข้ามาแวบเข้ามาดูแป๊บๆเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเบาแล้วมันขนลุกจู่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะท่านพระอาจารย์แต่ก็ไม่ได้เป็นตลอดเป็นบางครั้งเจ้าค่ะไม่เป็นไรไม่ไม่เสียหายอะไรเจ้าค่ะแต่ก็พยายามถึงช่วงเนี้ยทําอะไรอยู่ก็พยายามสวดอิติปิโสภายในใจไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะท่านพระอาจารย์ไม่ให้ติดมันคิดออกไปอะ่ะเจ้า<ๆ>ค่ะให้ใจเป็นว่างใจจะได้ยยเบา ถ้ากิดแลามันจะหนักอกหนักใจขึ้นมาเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ไม่ทราบว่าคือการการที่ว่าจิตที่มันเราพยายามสวดอิติปิโสไปตั้งสติไว้ตรงนี้ไปตลอดเนี่ยแล้วบางทีมันแวบออกมาคิดถึงในร่างกายบางทีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันมันเป็นการที่สติของเรามันเผลอไปหรือเปล่าหรือยังไงเจ้าคะท่านพระอาจารย์ก็มันอาจจะอยากจะเปลี่ยนจากการสวดมาดูร่างกายก็ได้นันไม่เสียหายอะไรมีประโยชน์ เจ้าค่ะเจ้าค่ะพแตามันยังจะมาดูร<จ>่างกายก็ลองให้มันดูทั้งสามสิบสองอาการดูเลยตั้งแต่เริ่มต้นที่หกก่อนเลยดูที่ผมขนเล็บฟันน้ำเนื้อเอ็นกระดูกได้เป็นแต่ละอาการเจ้าค่ะแต่พอแต่พอความคิดใส่ต่ําที่มันมันมันจะพยายามเข้ามามันจะดึงเราออกไปอย่างเงี้เหมือนกับว่าทําให้เราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างยมก็จะพยายามเข้ามาหาที่ที่สวยแล้วก็มีความคือพยายามฝึกรู้ว่า จิตของเรามาเริ่มเคลไปทางนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์แสดงว่าเรามีสติรู้ทันรู้ทันกิเลสนะเจ้าค่ะก็พยายามฝึกฝึกไปสเปสปากไปช่วงนี้เจ้าค่ะถูกต้องนะพยายามทําให้มากขึ้นทําให้บ่อยขึ้นก็แล้วกันเจ้าค่ะเจ้าค่ะทำทีจะทําได้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ยมก็แอบมาเข้าฟังอยู่บ่อยๆเวลามีเวลาเจ้าค่ะอ่ยินดีต้อนรับเสมอมีคำถามอะก็เข้ามาถามได้นะ สาธุเจ้าค่ะโอเคเด็กๆทั้งหลายสามคนใบหยกภูผามุกไหมเข้ามาได้เชิญเปิดไมโครโฟนได้เอามิวไมโครโฟนกราบนามสกัดยังไม่เปิดกราบนามสกัดต้องเรียบร้อยหน่อยนะอย่าเป็นลิงนะทําตัวให้เรียบร้อยกราบคือว่าอ๋อ พอว่าผมจะมารายงานการบ้างครับร า, ายงานมาคือตอนที่นั่งเลยคัะติดมันลอยอ่ะมันรอยเหมือนแบบตัวรอยมันขึ้นฟ้าแต่พอเป็นได้สักพักปุ๊บอยู่ๆความปวดล้ามันก็ลุมยำผมอะอต้องหนึ่งใช้พุโทโธหนึงใจให้กลับเข้ามาท้างในทพุโทโธพุโทโธไปอย่าทิ้งพุโทโธเวลานั่งนะ มันจะลอยก็อย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุโทโธพุโทโธแล้วจิตจะสงบจิตจะเย็นจะสบายนะเข้าใจหมนั่งมันต้องอย่านั่งเฉยๆต้องนั่งแลต้องมีพุโทโธอา้าคายต่อไปใบโยกนะหนูก็จะมาส่งการบ้านเหมือนกันค่ะเาว่ามาค่ะคือการบ้าน ที่หนูบอกครอาจารย์ไปว่าหนูอ่ะสับประงกเวลานั่งสมาธิใช่ไหมคะแต่วันนี้เมื่อคือนน่ะคะ่ะหนูนั่งแล้วรู้สึกว่าไม่สับประงบทั้งๆ ท, ที่อยู่กับแอร์อแล้วก็ยังทําให้หนูรู้สึกว่าแขนแบบไม่มีเลยทั้งๆ ท, ที่มันเบรคจบกันนะคะเออก็มีสเสถียรไงจิตมันสงบันถ้าสงบมันก็ไม่สับประงบตมันก็ตื่นใช่ไหมรู้สึกตื่นตัว คือว่าคือว่าตอนที่ผมนั่งผมก็แบบเหมือนขาหายด้วยครับอ่าดีดีหายก็ปล่อยมันหายไปไม่ต้องไปกังวล น, นะให้รู้ให้ให้รู้เฉยเฉไปให้อยู่กับพุโทโธไปอ่อาแล้มุกหมายว่าไงมันมากเหมือนกันค่ะก็คือว่าตอนลรกหนูนั่งสมาธิมีกินเรื่องการ์ตูน ะะเต่อเพอนักปะคมีเ ร, รื่องก็ไอ้อิเรื่องพุทโธค่ะไม่ดีนะคานัพุทโธพุทโธอ่าเดี๋ยวอย่าไปดูการ์ตูนนะการ์ตูนไม่มีประโยชน์ <c ười> คือมานั่งยูพุทโธพุทโธดีกว่า น, พพนะพุโทโธพุโทโธให้มันอยู่ในใจให้พุโทโธอยู่ในใจเราไปเรื่อยๆนานๆเข้าใจไหม เราใจเราจะได้มีความสุขท่องไปในใจเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไอ่าคุณแม่เข้ามามาค่ะครอบครัวเลยเจ้าค่ะเออคุณแม่คุณพ่อมีอะไรไหมคุณแม่โยมโยมนั่งรู้สึกปวดขาอย่างเดียวค่ะไม่เหมือนรูกไม่มีสติเลย ถ้ามันปวดการาต้องกลับมาที่พุโทโธพุโทโธอย่าไปสนใจกับอาการปวดปล่อยมันปวดไปอาจารย์ค่ะโยมโยมอาบเบยกรรมใช้อติปิโสค่ะได้ได้ดีปิโสก็ได้ส่วนววก็ตแต่ว่าก็นั่งได้นานขึ้นอย่างวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ได้ชั่วโมงหนึ่งค่ะเออดีต้องนั่งแล้วตั้งนั่งแล้วต้องมีอะไรคอยควบคุมใจมีพุโทโธแล้วมีติปิโสอย่านั่งเฉย ถ้านังเฉยๆเดียวๆมันก็ทนนั่งไม่ได้เพราะมันจะเจ็บมันจะรู้สึกอยากจะลุกขึ้นมาค่ะเวลาเจ็บลงก็พยายามเพ่งเอาสติมาไว้ตรงแถวๆจมูกค่ะแล้วก็มันก็เหมือนกับมันสู้มันได้อยู่ค่ะแต่ว่าคือรู้สึกเจ็บแต่ว่าก็ทนได้เนี่ค่ะเออนั่นแหละจิตสงบจิตจิตเป็นกลางจิตเป็นอเเุเบกขามันก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกัอบอาการเจ็บของร่างกายใช้ทุทโธก็ได้ใช้ทิปิโสก็ได้นะ โอเคนะไอวกคอบคุณมคาสุขกันนะอ่าเราดูหนังสือด้วยนะต้องดูหนังสือด้วยนะทำทันบ้านอตอนนี้เรงเรียนปิดหมดแล้วใช่ไหมเท่กรุงเทพปะช่ค่ะแล้วก็เรียนออนไลน์ค่ะออนไลน์นะค่ะโอเคขอบคุณค่ะพระจาวาจ้รักษาคนมากด้วยนะคะขอให้เร้อยี่สิบปีครับเอ่อลาเลยขอบใจขอให้อยู่ได้ยังใจ ปฏรฏ okay, ิหาระนะค่ะสาธขอบคุณอาจค่ะอาจารย์ค่ะโอเคท่านต่อไป W Bronskaw b r o n s k a ได้ยินไหมครับชื่อเยอรมันช ma ื่อเยอรมันและชื่อครับน้ำมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะชื่ออะไรเนี่ยชื่อเป็นภาษาอะไร ชื่อชื่อเป็นภาษา挪威ค่ะาววภาษาางด้านบรนสเกาเหรอในกล่กกอง น, น้อง้ายแดงโม่แต่ฟังเด็กๆกันักท่าโม่แต่ฟังเด็กๆเพลินกลับมา<ง>มาเทศกาลปา้ายแเจ้าค่ะชื่อนี้อ่านว่ายังไงนะบรูนสโกเจ้าค่ะบรนสโกาเหรอค่ะ <Okay. S 1> เป็นเป็น ทางใต้ของทางเหนือของสวีเดนนะคะเป็นเป็นอยู่นอร์เวย์ค่ะอยู่ใกล้ใกล้าีไหน้าที่เคียงคืนเนี่ยาที่เคียงคืน่อยู่ออสโลเจ้าค่ะานออสโลค่ะเป็นอยู่มานานหรือยังอยู่นานแล้วค่ะอ่าสิบเก้าเจสิบเก้าปีแล้วค่ะ มีอะไรไหันนี้จะมาสวัสดีพระอาจารย์นะคะเพราะว่ า, เ, าเมื่อวานเนี่ยได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ได้เข้าเครื่อง เ, อเข้าไปซีทีสแกนเจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็จิตจิตเราเหมือนแบบฟุ้งซ่านแล้วก็ตกใจะคะ่ะก็เลยในขณะที่เข้าเครื่องซีทีสแกนก็นึกถึง นึกถึงพระอาจารย์นะคะแล้วก็ก็เลยก็เลยได้คําสอนมาจําได้ว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าร่างกายจะเป็นยังไงก็ขอให้มีสตินะค่ะก็เลยแบบอืมก็เลยได้ได้ได้นําได้นําคําสั่งสอนของพระอาจารย์ไปใช้นะคะอก็ปลุกใจไว้ร่างกายอะไรก็ปล่อยมันไปค่ะค่ะหายใจออกอยาให้ใจเดือดนอน ค่ะทีนี้ทีนี้ก็คงต้องพึ่งพึ่งความสงบจริงๆอะอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าอ่ า, อาได้อ่ไปเดินเล่นแล้วก็ไปล้มอะคะ่ะแล้วก็หัวก็แทงน้ำแข็งก็เลยแบบก็เลยต้องพักพักรักษาตัวะคะ่ะก็อ่าทีนี้ก็ก็เลยควคงจะได้แบบทำภาวนาจริงๆเลยคะ่ะดีดีพยายามฝึกไปเรื่อยๆค่ะ พุโทโธพุโทโธไปนั่งสมาธิไปชวนมนไปนะค่ะอ่านหนังสือธรรมะต่างเพศไปค่ะก็กะฟังฟังพระอาจารย์มาตลอดค่ะแต่ว่าช่วงหนังๆนี้ก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ค่ะก็เหมือนจะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่อะค่ะเวลาไปเดินบางทีเราเดินด้วยความเพลิดเพลินใจบางทีเราก็ต้องดึงดึงตัวเองเข้ามาให้มีสติอะค่ะ พยายามให้มีสติอยู่กับการเดินก็ได้อยู่กับพุโทโธกร็ได้อยู่กับการสวดมนต์กรได้นะค่ะมีะระยะฐานไหมอ่าถ้าอ่าเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุยังน้อยเนาะก็เวลาเราเราเร า, เราเรียนรู้เรื่องทำภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนกับการไปทําที่เมืองไทยอ่ะค่ะถ้าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเบสิกเลยเนี่ย ควรจะปฏิบัติยังไงคะอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ฝึกสติไปก่อนนะพยายามถือศีลห้าถือศีลแปดไปจาทำได้แล้วก็พยายามฝึกสติอยู่เรื่อยเรื่อตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปอยี๋ยว่อให้ใจคิดเรืยเกลื่อนทำอะไรก็พุทโธไปหรือถ้าไม่อยากจะพุทโธก็ดูงานที่เรากำลังทำอยู่ือว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่้าดูมันไป ถ้ามีเวลาว่างก็มานั่งหลับตาถ้าดูล ม, มได้ก็ดูล ม, มดูไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนหรือพูดโทไปก่อนค่ะทำนี้มีท่านนี้แหละไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะไม่มีพิธีกรรมอะไรต้องทําหรอกการปฏิบัติมีการเจริญสติเป็นหลักนะออกสติเรามาค่ะเวอายัางจะถามไหมยไม่มีแล้วค่ะพระอาจารย์อ่าวพรอาประ์ค่ะ<อ>ค่ะ ให้ไปที่ท่านต่อไปนะคุณสุภาตราจาก d ดล l ัสเชิญคุณสุภาตราจาก d ด l l a s กลับนมัสกการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้วันท้ายวันเกิดของลูกเจ้าค่ะขอความเมตตาของพระอาจารย์ได้โปรดให้ลูกได้มีได้พบวันที่ลูกไม่ต้องเกิดแล้วเจ้าค่ะสาุจ้ะสาธุ happy birthday Happy ้ย่างเบิร์ดเดย์แฮสกาธุสาธุกรรมขอบพระคุณเจ้าค่ะถ้าไม่อยากจะมาเกิดก็ต้องฆ่ากิเลสให้หมดนะ <S <S เหมือนองคุลิมาตอนต้นนองคุลิมาไปฆ่าคนอื่นต้อง9ก9าร้ยก้าสิ้าคนพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ค่าผิดตัวต้องมาฆ่ากิเลส ท, ที่มีในตัวคุณนั่นแหละฆ่าความโลภฆ่าความโกรธฆ่าความหลง พอฆ่าสามตัวนี้ตายไปหมดแล้วทีนี้นก็ไม่มีการมาเกิดอีกต่อไปให้มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจต่อไปอ่ะคือส่ะคือเจ้าค่ะแล้วก็พยายามฝึกตลอดเรื่อยๆเจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่าเวลา ใจมันร้อนหรืออะไรเนี่ยลูกไม่รู้สึกว่าเราโทษคนอื่นน้อยลงมาโทษตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มทําโทษตัวเองมากขึ้นหาวิธีทําโทษตัวเองมากขึ้นก็ค่ะทาโทษกิเลสโทษโทษกิเลสตัวเราเมื่คือตัวกิเลสะนะอักตานตัวตนก็เป็นกิเลสนะความหนุนละดูแลเลยมันมาถูกทางแล้วไม่ยามฆ่าฆ่ากิเลสในตัวเราจะแต่อย่าเป็นฆ่าร่างกายนะร่างกายมันไม่รู้เรื่อง ค่าตัวตายไม่ได้จะแก้ปัญหาอะไรนะกลับ <Yeah. S 2> ไปสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อวานเมื่อวานมันดื้อ ม, มันใจร้อนไปหน่อยมันไปแบกไว้เยอะลูกก็เลยบอกดัดสันดานมันเลยเจ้าค่ะลูกบอกมันดื้อนะักใช่ไหม mm hmm. ก็เลยบอกว่าอะไรที่ชอบก็จะงดไปเป็นเดือนเลยเอาให้หนักเข้าไปใหญ่เอ oh, oh. <laughs> าเดือนจงนะเดี๋ยค่ะเพราะว่าลูกเคยลองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแล้วยังรู้สึกแบบเอ๊ะทาไมมันยัง ทำไมมันยังอัดตายเยอะจังเลยมัน<ช>ดื้อจังเลยเอาสักเดือนเลยเอาให้มัน<ช>เอ า, เอาให้มันดูซิมันจะไอ้นั่นกันไปข้างหนึ่งเลยนะคะไม่เข็ดไม่เข็ดนะใช่แล้วค่ะสามีก็เลยบอกสามีบอกโอ้ยอย่าไปทาอย่าทําเลยอเอาแค่อทิตฐ์นึงก็พอบอกไม่ได้ไม่ได้ข้างนี้จะเอาดูซิใครจะใครจะใครตายยังไปข้างหนึ่งมันจะตายเลยเราจะตายนั่นแหละต้องเกลียดแม้ถ้ามันดื้อแลต้องใช้ใช้มาตรการรุนแรง เจ้าค่ะก็รู้เจ้าค่ะก็รู้บอกออ้ยถ้ก็นึกอยู่เอ๊ะเราชอบอะไรอ่ะเราชอบดื่มสมูทตี้ใช่ไหมงั้นเราไม่ต้องกินสมูทตี้ไปเป็นเดือนเลยละกันเอาให้มันเอเดแลด้วหนักไปเลยนะเจ้าค่ะดูสิว่าใครจะใครจะรอดใครจะอยู่ดื้อดีนักโทษตัวเองเจ้าค่ะรู้สึกแบบนี้เรามาโทษตัวเองแล้วเจ้าค่ะ พยายามฝึกเจ้าค่ะขอพอบคุณพระอาจา ร, รย์ที่สอนลูกตลอดอดัดจันดาถ้าไม่ดัดจันดามันไม่เอามันไม่อยู่รอกนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบค<ะ>ุณบุตรของลูกเ ไ, ไม่มีแล้วเจ้าค่ะลูกพยายามฝึกเรื่อยๆเจ้าค่ะพยายามฝึกสติแล้วก็นั่งสมาธิค่ะเจ้าค่ะฟังเทศแล้วก็สวดมนต์ค่ะตลอดค่ะแต่วันเกิดนี้ก็ขอให้เจริญขอให้ได้เจอวันไม่เกิดนะ โอ้สาธุาสาุาสาธุาสาุค่ะขอบพระคุณนะคะคุณเชลินตรนตอนนี้ยังอยู่ที่ด o m i n ิ c a n r น p u b l i พกเดียร์ใช่ใชใช่ค่ะพระอาจาร์กับนมัสการค่ะอยู่ห่างนนจากอยู่ห่างจากอเมริกากี่กี่ชั่วโมงบินไปเอ่อมันเป็นมันมีทรามสิดค่ะพระอาจาร์แต่ว่าใช้เวลาประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงมในการเินทางไกลเหมืนกันยหยท้าคิวบาะ อยู่ใต้คิวบาอยู่ในแคลิฟร์เนียอะค่ะค่ะอยู่บนเกาะติดกับเฮติอะค่ะเฮติอะค่ะพระอาจารย์ก็โยมก็ยังคงปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่เหมือนกับว่าพอเรามาถึงที่นี่เราได้เจอผู้คนที่เคยเจอเคยพบเคยเห็นมันก็คือสู้กับปีเลตตัวเองก็ว่าแย่แล้วต้องมาเจอสิ่งที่กระทบต่างๆนานามันก็มันก็ยิ่งทำข้อสอบมาแลกันเป็นการเขาสอบ โยมก็เลยรู้สึกว่าอย่างสมาธิช่วงนี้โยมนั่งแล้วไม่ค่อยดีเลยค่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆค่ะโยมก็เลยเราก็เราก็เลยเดินเอาเป็นพิจารณาปัญญาพิจารณาการสามสิบสองพิจารณาพวกนี้ไปก่อนเห็นผู้คนเราก็คือพิจารณาเป็นศพเป็นอะไรไปอย่างนี้ค่ะแล้วพอเอามาอยู่ตอนนี้โยมย้ายมาอยู่มันเป็นเมืองเล็กๆค่ะพระอาจารย์แล้วก็เป็นโรงแรมเล็กๆ แล้วก็ตอนนี้เขามีเคอร์ฟิวเคอร์ฟิวแล้วค่ะพระอาจารย์ยงก็ไปไหนไม่ได้แล้วเราก็ต้องอยู่ในห้องเล็กๆคนเดียวเออยังไม่รู้ว่านานแค่ไหนอะค่ะมันก็มีความกลัวเข้ามาเพราะว่าเราพูดภาษาเขาไม่ได้เราไม่มีรถเราไม่มีอะไรเลยเหมือนเราถูกเราอยู่ในห้องเล็กๆอยู่ห้องนี่ค่ะแล้วก็นั่งทํางานอนี้ค่ะพระอาจารย์มันก็มีการทํางานกับที่อเมริกาได้ได้ค่ะพระอาจารย์ยมก็ใช้คอมพิวเตอร์ทํางานแต่ว่า อย่างเวลาโยมเดินไปซื้ออาห า, หารหรืออะไรเงี้ยคือเราต้องใช้เทคนิคภาษาใบเพราะเราเราพูดไม่รู้เรื่องเขาพูดสเปนนี่กันหมดเลยอะค่ะพระอาจารย์แล้วโยมก็โยมก็ภาษาใบอย่างเดียวเลยพะ่ะอาจารย์ uh, <right. S 2> มันก็เลยมีคือมันมีทั้งความกลัวความระแวงเราไม่รู้ไว้ใจได้แค่ไหนเขาคือมันมีกิเลสห ล, หลายๆอย่างที่ขึ้นมา uh, ในใจแล้วมันระวังไว้ก็ดีไม่เป็นไรนะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนต้องระวัง แล้วแล้วลูกก็ไม่ยอมมาอยู่กับยมยมก็อยู่คนเดียวอแล้วเราก็นนค่ะยมก็รู้สึกว่าพอยิ่งกลัวพอยิ่งกลัวสภาพแวดล้อมรอบข้างเราไม่รู้จักเมืองเขาเราเดินไปไหนก็ไม่ถูกพูดภาษาก็ไม่ได้เราจะกินยังไงเราจะอยู่ยังไงไอความกลัวตัว น, นี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเราเราจะไหวไหมเราจะรอดไหมแล้วก็เลยยิ่งเห็นความทุกข์ ก็เรากลับบ้านไม่ได้ถ้าเราไม่มีอะไรต้องอยู่ก็กลับบ้านไม่ดีกว่าค่ะพระอาจารย์โยมก็ต้องเหมือนกับว่าเราโยมต้องเซตวันขึ้นมาแล้วว่าโยมมีเดทไลน์ได้ถึงแค่ไหนถ้าถึงเวลาแล้วถ้าสิ่งต่างๆที่โยมหวังไว้มันไม่ได้หรือว่าถ้าลูกจะไม่กลับพร้อมโยมโยมก็ต้องกลับคนเดียวแล้วก็รอจนอาจารย์ก็ต้องอย่างนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์เพราะโยมก็คิดว่าเราทําให้ดีที่สุดแล้วถ้าเขาไม่ต้องการก็ช่วยไม่ได้ ค่ะพระอาจารย์ก็เลยปฏิบัติคราวนี้พอเรานั่งสมาธิเนี่ยมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสงบอะค่ะพระอาจารย์นั่งไปแล้วสองชั่วโมงก็ยังไม่สงบนั่งเท่าไหร่ก็ยังไม่สงบเพราะว่าความคิดที่มันวุ่นวายไปหมดมันมันมันแสดงผลอะไรเห็นว่าการปฏิบัติของเรามันยังไม่ยังไม่ถึงขั้นพูดง่ายๆถ้ารยู่านที่ที่มันสงบมันก็ทําได้แต่พอมาเจอเหตุการณ์ต่างๆรุมเล่านี่มันก็ยังทําไม่ได้ แสดงว่าสติแล้วยังต้องเพิ่มเพิ่มสติให้มากขึ้นต้องปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยถอนถอนออกมาคือหมายถึงว่าจากการที่ต้องไปอยู่กับครอบครัวที่มีญาติพี่น้องเต็มไปหมดแล้วโดยที่เราภาษาเขาเราก็ไม่เข้าใจวัฒนธรรมทถว เ, เขาเราก็ไม่รู้ว่าเราทำํำทาผิดโยมก็เลยต้องถอยถอยออกมาติดวิเวกได้เลยที่สุดค่ะพระอาจารย์ว่าง ๆ, างๆางก็ว่าไปเจอกข้างข้างสมข้งอะไร ใช่ค่ะพระอาจารย์เขาก็ไม่อยากจะเห็นหน้าเราตลอดเวลาหรอกใช่ไหมสงสัยค่ะก็ประมาณนั้นนะคะโยมก็คิดว่าอย่างนี้ดีที่สุดกับทุกฝ่ายเพราะว่าโยมถอยออกมาแล้วทำงานเสร็จโยมก็เดินจงกลมนั่งสมาธิอยู่ในห้องแล้วที่นี่เขามี curfew ตอนเที่ยงวันนะค่ะพระอาจารย์วันคือโยมมาได้ไม่กี่วันเขาก็ปิดประกาศ curfew ว่าถ้าวันธรรมดาห้าโมงเย็นวันเสาร์ทิดตอนเที่ยงก็เท่ากับว่า ก็เหมือนกับโยงก็เลยถูกล็อกดาวน์อยู่ในห้องตัวเองไปโดีไปเรืตอนเย็นก็คือก็มีกินบ้างไม่มีกินบ้างโยงก็ถือซะว่าอ่ะถ้าวันไหนมื้อไหนไม่มีกินก็สิแปดก็พยาวันไหนวันไหนมีก็มีวันไหนไม่มีก็ไม่มีอะค่ะวันไหนวันไหนไม่มีก็เป็นไฟบังคับไปก็เป็นไฟบังคับค่ะอาจารย์ก็ก็ยังคงพยายามปฏิบัติอยู่แต่ว่าเหมือนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย โยมเดินทางไปหลายที่อ่ะค่ะพระอาจารย์เออเหมือนทางครอบครัวเอ่อของลูกเนี่ยเขาก็อยากจะพาโยมไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่<ม>แต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้อยากไป<ม>เราอยากอยู่บ้านปฏิบัติธรรแต่เขาเขาคงไม่เข<ม>้าใจค่ะเขาไม่เข้าใจเขาก็อยากพาเราไปค่ะพระอาจ า, า, ารย์เขาก็จะพยายามตัดพอเครฟิวประกาศปุ๊บเราอยู่บ้านปุ๊บเราก็แอบดีใจว่าเออเราจะได้นั่งสมาธิเพิ่มขึ้น ค่ะพระอาจารย์ก็ตั้งใจปฏิบัติต่อไปอค่ะอได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ก็รักษาใจเป็นหลักก็แล้วกันคอยดูแลใจาย่าให้มันมุ่งซ่าอย่าให้มันทุกข์นะถ้ามันมุ่งซมันทุกต้องรีบมาแก้ไขทันทีก่อนใช้พุทโธพุทโธใช้ปัญญาก็ได้เดี๋ยวนี้รู้สึกเลยว่าพุทโธจะเอาไม่อยู่หรอกครับโยมต้องเข้าอินทิปิโสแล้วก็เดินแล้วก็ใช้ใช้ต้องอินิปิโสแล้วก็ใช้ เจรินปัญญาช่วงนี้ครับาชนะตายแล้วปล่อยวางค่ะพระอาจารย์ค่ะไม่มีครับตอนนี้ก็เป็นไม่มีอะค่ะก็เป็นประมาณนี้อค่ะพระอาจารย์โอเคยินดีได้พบกันไว้ค่ะเข้นกันค่ะพระอาจารย์ค่ะท่านต่อไปคนละเล่นคนละเล่นใกลยังไงครับแล้วต้องการครับก็สงสัยว่าการเข้ามาใกล้ๆไหนไม่เสียงดังเลยครับ การการตัดร่างกายกับการสร้างกุศลมีความสัมพันธ์กันยังไงครับก็กุศลก็หลายอย่างกุศลก็เขาว่ากุศลมันทากลางๆหมายถึงการกระทําที่ฉลาดทําด้วยปัญญาก็เรียกว่ากุศลครับส่วนการการตัดร่างกายก็คือเป็นกุศลอย่างหนึ่งเรต้องตัดร่างกายตัดเวทนาตัดจิตเนี่ย มันมีนมนมมแบบหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาตัดร่างกายที่ลดร่างกายไม่ใช่ของเราแต่เขายังตัง้งอกส่วนสร้างบาปอยู่อย่างนี้มันเอ้ยมันเขาก็ยังทําได้แต่ย ง, งงว่าเอา้ยมันเกี่ยวข้องกั น, นยังไงก็แบบไม่ได้ตัดจริงเลยตัดแบบโกโหกตัวเองว่าตัดถ้าตัดจริงแล้วไม่เอาไปอาไม่เอาร่างกายไปทําอะไรทั้งนั้นนอกจากเลกมันไปวันๆอย่างเดียเองอ๋อครับแล้วไปปฏิบัติทำถ้ายังถ้ายังจำเป็นจะต้องอาไปปฏิบัติทำก็ไปปฏิบัติทำแต่ไม่จะไม่ไปทํำบาปใดๆขาะ คนที่ตัดน้างกายไนดะ้แล้วถ้าโสดาแบเนี้จะไม่ทำางานโดยเด็ดขาดเพราะมันเพราะเห็นว่าแนวคิดเคยอ่านเจอว่ามีแบบพวกสมมติสมุไ ร, รญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาบอกเขาทําจิตว่างจิตไม่มีอะไรมาใ น, ในใกายแบบเขาฆ่าคนเขาก็แบบจิตว่างไม่มีนั่นว่างว่างแบบที่เลยเนี่ยว่างแบบคิดไปไม่ได้ว่างจริงถ้าว่างจริงนะมันไม่อยากจะทําอะไรอ๋อ วางจรงมันจะไปดนนูเบกขามันจะเฉย uh huh. อ๋ออะนั้นว่างแบบคิดไปอย่างงี้คื อ, ค, อคือว่างแบบไม่ทําอะไรไปแล้วไม่มารู้สึกเสียใจหรืออะไรท่านนั้นเองเขาว่างของเขาว่างแบบนั้นหรื uh huh. ทําอะไรก็กล้าทําไม่ไม่เกิดความคิดกลัวขึ้นมาอะไรต่างๆนะ uh huh. มานาเพราะหมายถึงความว่างแบบนั้นบบนะ uh huh. อช่วงช่วงนี้หลวงพ่อใส่จีวรในซูมมั้งเหรอครับเนี่ย าก็ใส่มาทุกวันมันแก้ผ้านั่งคุยกันได้เลยปกติเห็นใส่เฉพาะอังสาเงครับปกติเห็นแบบเต<อ>่งแบบไม่เต็มยศเลยครับอากาศมันเย็นก็ต้องใส่จีวรบ้างเลยอย๋ออากาศเย็นแต่มันเย็นถ้ามันร้อนก็เาแคงส<พ>ไม่มีอะไรใช<พ>่พอแล้วนะพ อ, วนะพอแล้วอย่าไปถามไม่มีไ ม, ไม่มีคำถามอะไรก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับรับค่ะคนวิทูน เชียงใหม่ใช่ไหมจากเชียงใหม่ศิษวัดยาเป็นลูกศิษวัดเนี่ยไคยมาอยู่วัดอาศัยข้าววัดกินเรียนหนังสือไปเรียนที่เทคนิค็กนะก็ไม่ได้เรียนนะอาจารย์เไม่ได้เรียนไม่เรียนแต่เรียนเรียนธรรมะกับพระอาจารย์นะฮะจนจนจบนักธรรมโทน่ะละครับอาจารย์หลังจากนั้นตองนั้นเป็นเรียนแลเป็นพระเป็นเรีย เป็นเนนครับพระอาจารย์ครับนนครับก็เข้ามารายงานตัวพระอาจารย์แล้วก็ไม่เข้ามาเกือบสออาทิตย์เพราะว่าหลงวันพระอาจารย์ทํางานทำงานจ น, นหลงวันอ้าววันนี้นเขาเรียกแล้วเหรออ้าวแล้ววันที่ผ่านไปแล้วอย่างเงี้ยเกือบสองอาทิตย์พระอาจารย์ครับไม่เป็นไรไม่มีอะไรใช่ไหมแต่มารายงานตัวใช่ไหมมาในงานตัวก็มีหลายคําถามแต่ว่าฟังพระอาจารย์ ตอบญาตโยมก็รู้สึกได้สติปัญญาแล้วก็ขออนุญาตไา้ใจและขระญาติโยมฟังอ่าอย่างเดียวครับผมอาจารย์ครับได้เลยไปท่านต่อไปนะคุณประเวศจากยารัสเหมือนกันสวัสดีได้ฉีดวัคซีนหรือยังคนอายุเจ็ดสิบแล้วไม่แย่เลยหรือยังเอ้ไ ม, ไม่ไม่ได้ยินเสียงยังไม่ได้เปิดไม้เลยโอเคการสวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่ครับพระอาจารย์สวัสดีปีใหม่จ้าขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะครับสาธุสาธุนั่งฟังพระอาจารย์มาหลายทิตยก็ขออยู่เงียบๆฟังครับก็ออขอให้พระอาจารย์เวทพรปีใหม่ให้ด้วยครับอ่าให้สุขกายเจริญแล้วก็ให้โรคปัศจากโรคภยัยไข้เจ็บอโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภันประเสริฐ น, นะ สาธุครับพ่อจางแล้วเมือ่อไหร่จะได้ฉีดวัคซีนอะ่ะเขาเขานั่นแล้วหรยังโทรโทรไปแล้วครับเขากำลังฉีดหมอพยาบาลอยู่ครับผม ก, ก็เน็ตเน็ตออนไลน์ที่เขายาเขาไม่พอครับพ่อาจายง เ, นะเขาเขาพูดจริงเขาพูดอย่างหนึ่งว่ายาจะมาถึงเราแต่ว่าไม่ถึงจริงครับบางเขตยังไม่มีครับ เ, เขาเมื่อวานซืนเห็นไปรอคิวที่ดาร์ลัสครับสองพันกว่าคน ฉีดได้วันละไอชั่วโมงละร้อยหกสิบคนไปรอกันแปดชั่วโมงเก้าชั่วโมงก็ไม่มียาพอครับต้องรอไปก่อนแล้วกันนะครับก็คงคงคิดว่าคงประมาณสิ้นเดือนมกราครับกว่าจะถึงพวกเราได้โอเคได้นี่อันนี้ก็ขอผู้จารึกข้อต่างไรไม่มีอะไรครับชอบฟังพผู้จารย์แล้วก็อยากให้ผู้จารย์ลงคําถามคําตอบที่หน้าห้องพผู้จารย์นะครับชอบอ่านมากครับโอเคได้ เดีย๋ยวลูกศิษยกหาจะมีทีมงานเขาคอยจะคัดเลือกออกมาโพสให้ครับคํททาถาม ต, บตอบดีๆนี่มันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้เอามาแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นครับโอเคจ้าเดกอาจารย์นญญนะขอบคุณครับอาจารย์ขอพระอาจารย์สุขภาสังแรงครับผมโอเคคุณปรางวะลาจอยวงจอยวงได้ยินไหมคุณปรางวะลา อ่เปิดไม่ก่อนอยู่ในรถเหรอรู้สึกนังน่องรถอยู่นะต้องอ่านมิวไมโครโฟนก่อนอ่านมะิวเป็นไหมอยู่ที่หน้าจอนะตรงกลางหน้าจอโอเคทางได้มาแล้วค่ะกำลังข <Okay. S 1> ับรถกำลังขับรถกลับบ้า น, นที่สีราชาค่ะพระซางออย่างนี้ก็พูดไม่ได้จริงๆเดี๋ยวถูกตำรวจจับนะ เดี๋ยวโยมโยมโมเปิดอ่าดีดอสอาร์โยมโยเปิดคามในรถนะคะมีมูดูดอยู oh. OK. ่แต okay. well, okay. ่ว่าโยมฟังโยมฟังสัพญากยากศีลธรรทั้งหลาย่ะคะแล้วโยมก็เอามาคิดแล้วก็มาปฏิบัติตามด้วยค่ะโอเคมีอะไรคําถามไหมยังไม่มีค่ะเดี๋ยวรอจะรอไปฟังธรรมะพระอาจารย์นิมานุสิค่ะโอเคเดี๋ยวเอาที่นี่ก่อนนะอ่าขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์โอเคคุณจิ๊เอเวนส์ เชิคุณจิฟเอเวนอยู่ที่ไหนค่ะน้องไหนอยู่ที่ไหนนะอยู่อ่าไอแลนด์เกาะไอรแลนด์ประเทศอังกฤษค่ะอ๋ออยู่ทางทางทางฝั่งไหนของอังกฤษอ่าอยู่ไม่ไกลจากลิวพูลค่ะถ้าถ้าเอาเมืองที่รู้ๆจักคุ้นๆกันนะคะก็เกาะก็อยู่ทางทางยุโรปเนี่ยไปทางยุโรปไม่ได้ไปทางใต้เลยตัวประเทศอังกฤษนะคะโอเค ค่ะก็วันนี้ก็เข้ามารับฟังจริงๆก็รับฟังธรรมะของของท่านพระอาจารย์อ่านาโกติเป็นประจําอยู่<ม>แล้วนะคะ<ม>เข้ามาร่วมมาฟัง<ม>ก็ตอนนี้ก็แค่ดูดูใจดูจิตของตัวเอง<ม>นั่งสมาธิก็นั่งทุกวันค่ะทำ<ม>พระจารย์<ม>วันละ10 30นาทีชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าทํางานด้วยค่ะแต่ช่วงนี้กลับมาล็อกดาวน์อีกทีก็เลย เลยได้มีโอกาสเข้ามาร่วมฟังธรรมด้วยค่ะดีตอนนี้ตอนนี้บ่ายแล้ววันนี้เที่ยงกิ่โมงใช่ไหมตอนนี้ก็ตอนนี้ประมาณบ่ายสองกว่าบ่ายสองครึ่งค่ะบ่ายสองครึ่งค่ะมป็นทำานอยู่นะค่ะล็อกดาวน์ค่ะช่วงนี้ล็อกดาวน์ก็เลยได้มีโอกาสร่วมเข้าฟังธรรมมีคําถามอะไรไหมก็อไม่มีคําถามก็ขอมาร่วมรับฟังก่อนค่ะณตอนนี้ค่ะเนี่ะ เอาไปได้เองนะเดี๋ยวจะให้คนอี่มีคามได้ถามต่อคุณนมัสการค่ะรู้สึกว่าครบหมดแล้วงท่านที่เข้ามาในห้องที่อยากจะถามคำถามได้ถามกันหมดแลทีนี้ก็ไปที่คุณคุณหลามีคํคำถามจากเฟซบ o ๊กไหมมีเจ้าค่ะมีคาถามหกคำถามมาจากทาง Facebook และ u t u b e เจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณโจ๊กพานุเดชกราบนมัสการครับพระอาจารย์ อยากรู้ครับว่าเมื่อสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเราแผ่เมตตาโดยการนั่งสมาธิแทนการกรวดน้ําได้ไหมครับแบบไหนได้ผลดีกว่าครับคือการแผ่เมตตามันไม่เกี่ยวกับการกรวดน้ำใช่ไหมการแผ่เมตตานี้หมายถึงการมีความมีมิตรภาพต่อคนทั้งหลายทั้งปวงเจอใครก็ให้ให้ให้แสดงความเป็นมิตรภาพออกมา เป็นทักทายเขาถามสารทุกข์สุขดิบให้ความสุขกับเขาอันนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาตอนที่เรานั่งสมาธิเสร็จนี้เราไม่ได้มีใครมาให้เราแผ่เพาะจะไหม ต, ตอนนั้นถ้าเราสวดก็เป็นการซ้อมซ้อมแผ่เท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้แผ่จริงจะ แ, แผ่จริงก็ต่อเมื่อเราได้พบปากขับคนหรือสัตว์เช่นเจอสนัขเราก็แผ่เมตตาให้เขาได้เจอคนก็แผ่เมตตาให้เขาได้ คำถามต่อไปจากคุณสันติขออนุญาตสอบถามถ้าเพื่อนขอยืมเงินแล้วแต่เขาเอาเงินไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเอาไปเล่นการพนันถ้าแกล้งปฏิเสธว่าไม่มีจะเป็นการโกหกจะผิดศีลหรือไม่ครับโกหกก็ผิดศีลเนี่ยเขาพูดไปตรงๆก็ได้บอกไม่ให้ยืมหรือว่าไม่ให้ยืมเงินไปใช้ในทางที่ไม่ดีเพูดตรงไปตรงมาไม่เป็นต้องโกหกทำไม คำถามต่อไปจากคุณโฟกัสในสิ่งที่ต้องการหลวงพ่อครับทำไมผมปฏิบัติคิดเมื่อไหร่จะบรรลุฉันจะบรรลุได้ไหมนะคิดถึงอดีตอนาคตผมรู้สึกทุกท้อแท้กับการปฏิบัติมากครับก็ไม่มีสติไงไม่ใช่พุโทโธพุโทโธหยุดความคิดต่างๆอย่ากว่ายให้คิดใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะหยุดความคิดต่างๆได้ คำถามต่อไปไม่ระส่งออกน้ำนะคะนั่งสมาธิดูลมหายใจสักพักลมหายใจสั้นและห่างจึงดูความว่างสลับกับดูลมหายใจจนลมหายใจกลับมายาวและถี่ขึ้นจึงออกจากสมาธิเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่และควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าคะอ๋อไม่ถูกหรอไม่ควรจะสลับไปดูอย่างอื่นควรจะดูลมอย่างเดียว ดูไปจนกว่าจิตจะรวมข้าสู่ความสงบแล้วนิ่งมีความสุขมากๆแล้วก็ปล่อยให้มันนิ่งนานๆอย่าเพิ่งให้มันออกมาไม่ต้องทําอะไรรักษาความสงบความนิ่งด้วยสติเฝ้าดูมันไปมันจะคิดก็หยุดความคิดอย่าให้มันคิดจนกว่ามันมันไม่อยู่แล้วมันจะถอนออกมาก็มีทางเลือกสองทางอยกกลับเข้าไปใหม่ก็ดูลมใหม่ ถ้าไ ม, ไม่กลับเข้าไปก็ลุกขึ้นมาแล้วถ้ามีธุระจะไปทําอะไรก็ไปทําด้วยการมีสติหรือถ้าไม่มีธุระก็มาเดินจ ะ, จ, ะ จ, ะจะเดินจงมต่อจะจะเริยนสติด้วยการเดินจงกมต่อไปคำถามต่อไปจากคุณสุมาศโพอาศัยสบาปเลนถามพระอาจารย์อินรีอินรีห้ามีความหมายว่าอย่างไรครับก็เป็นธรรมที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคน คือหนึ่งศรัทธาสองวิญญาคือความขยานหมันเพียงสสติสี่สมาธิและห้าปัญญาของเหล่านี้เราสามารถถ้าเราไม่มีเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้หรือถ้าตานนี้มีก็อาจจะมีน้อยศรัทธาน้อยความเพียร น, น้อยสติน้อยสมาธิน้อยปัญญาน้อยเราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ ถ้ามันเต็มร้อยให้กลายเป็นให้กลายเป็นเอ็นซีของพระอริยบุคคลถ้าทําเต็มร้อยก็จะเป็นอริยบุคคลได้คำถามสุดท้ายจากคุณสุภัตราสลัดถ้าสัมผัสเราได้ยินเสียงจิ้งหลีดร้องเราควรปฏิบัติถึงขั้นไหนคะพระอาจารย์ขั้นจิ้งหลีดร้องจะขั้นไหนเนอะ ก็รู้ว่ามันล่องนั้นเองรู้มันล่องแล้วก็ปล่อยว่างไปไม่ต้องไปสนใจมันการปฏิบัติไม่ต้องการที่จะไปไปได้ยินเสียงจริงหรือง่องการปฏิบัตินี้ต้องการให้จิตเข้าสู่ความสงบไม่มีอะไรทั้งนั้นเหลือแต่ความว่างเพียงอย่างเดียวมีคําถามอีกไหาใครมีคําถามอีกก็ยกงเบอรขึ้นมาแล้วก็กดกดกดอ Un ่านวิวได้เลยคุณพรม N Y คุณพริมก่อน อ่าม่นได้เลยนมสการเจ้าคระหลวงพ่อบบอ๋อพอดีวันก่อนหนูมีคนรู้จักที่เขาเสียชีวิตแล้วหนูได้รับทราบข้าวหนูก็ถือโอกาสพิจรารณาลองพิจรารณาน้อมความตายเข้าเข้าหาตัวเองอยู่ครึ่งวันแล้วค่ะแล้วก็จนช่วงกลางคืนอาบน้ำนอนหนูนอนลงไปเนี่ยหนูพิจรารณาต่อ เห็นเป็นอสุภะเคอเห็นข้างในร่างกายแล้วสักพักะค่ะมันมีความกระเพื่อมขึ้นมาตรงกลางวังปกหนูก็เลยดูความกระเพื่อมนั้นแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเราแยกออกมาได้ว่ามันมีความกลัวอยู่ในนั้นทีนี้หนูดูไปสักพักหนึ่งหนูก็เลยลองเอาพุทโธเจ้าค่ะเข้ามามาอยู่แทนที่ตรงนั้นก็ความกระเพื่อมก็หายไป แล้วพอหนูหยุดพุโทโธจะพักหนูพิจารณาใหม่ก็กระเพื่อมกลับมาอีกอย่างนี้หนูทำถูกไหมเจ้าค้าหรือว่าควรจะต้องไปาาทำว่าจิตจิตเรายังมีกําลังไม่พอโอเบกขาไม่พอพอไปพิจารณาอะไรที่มันกระเทือนใจมันก็กระเพื่อมขึ้นมาก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาทำทำพิจารณาอย่างอื่นไปก่อนพิจาราการสามสิบสองไปก่อนก็ได้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายไปก่อนถ้าไม่ได้เลยก็อย่าเพิ่งไปพิจารณา แล้วค่ะได้แล้วค่ะจับปลาทูองส้านสมาธิให้มีมากขึ้นมาก่อนอ่ะท่านต่อไปคุณอาจารย์สายทิพย์เชิญเมื่อกีห็นย้มมือขึ้นครับครับอาจาสายทิพย์เชิญกลาวนามสกันพระอาจารย์ค่ะพรเอิญเมื่อกี้เปลี่ยนคอมเป็นอีกเครื่องก็ได้ไม่มีเสียงเอ่าตอนนี้คือหนูก็นั่งสมาธิทุกวันค่ะก็ก็สงบสงบดี แต่ทีนี้ในในในระหว่างวันค่ะมีมีข้อสงสัยว่าเราทาแบบนี้ถูกหรือไม่ค่ะอย่างาเาช่นถาเราถูกถ้ามันสงคค่ะห <c oughs> มายถึงว่าเรานั่งกับคนอื่นแล้วพอเราเห็นเขาพูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ถึงเขาเสนอแนะในสิ่งที่ไม่ดีแต่เราเห็นว่าเราไปขัดเขามันก็ไม่มีประโยชน์เราก็ปล่อยเขาพูดไปอะค่ะก็ ถ, ถูกต้องปล่อยวางไหค่ะ แล้วอีกกันหนึ่งก็คืออย่างเช่นเอคนที่เขาจะทําอาหารแล้วเขาก็ซื้อซื้อสัตว์มาแล้วเขาก็จะตัด จ, จ, จ, จะข้ามมันแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆก็อยากจะไปห้ามแต่เราก็มองว่านี่ก็คือชีวิตของคนทั่วๆไปที่เขาทํากันแล้วก็ไม่ยุ่งก็บเรากันนะได้ไห้ค่ะได้นอกก็ไม่อยากไปถ้าเขา ถ, าถามถ้าเขาถามมาบอกเขาได้ว่าไม่ดี ค่ะแต่ว่าถ้าเขาบอกเราบอกไม่เอาอย่างภาษาชาวบ้านว่าอย่าไปเสือกอะค่ะก็เลยก็ปล่อยไปแต่ว่าถ้าเป็นเราเราจะไม่ให้ทําแต่ถ้าเขาจะทําก็ก็เราก็มองว่านี่ก็คือคนทั่วไปก็ก็ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ยุ่งอย่าไปสอนถ้าเขาไม่ถามไมอย่าไปสอนค่ะแล้วอีกในระหว่างวันค่ะสงสัยเรื่องความคิดค่ะว่า ทําไมเราถึงได้มีความคิดมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทีนี้ก็คงถ้าทางทำก็คงเป็นพวกขัดสาอะไรหนูไม่แน่ใจคะ่ะทีนี้ถ้ามีความคิดเรามักจะมีความคิดที่เชิงเหมือนไม่ดีขึ้นมาแล้วเราก็มองเห็นว่าเอ้ยนี่มันคิดไม่ดีนะแล้วเราก็ปล่อยเหมือนเราเห็นความคิดแบบนี้เป็นระยะเมื่อมันมีปัจจัยมากระทบให้ให้ให้ให้ใหใหคิดนะคะ แต่ว่าเราก็มองเห็นว่าเออยุดมันหยืดมันอย่าไปปล่อยมันคิดค่ะเหมือนมันคิดไม่ดีก็อันก็เออช่างมันก็คือไม่ไปยุ่งต่อนี่คือทําถูกใช่ไหมคะถูกแล้วอ้ละกุศลความคิดไม่ดีเรียกว่าอกุศลค่ะแต่ทีนี้เหมือนความคิดไม่ดีก็แปลว่าตอนนั้นเราไม่มีสติความคิดก็เลยขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องอืมก็คือเราต้องพยายามมีสติให้มากๆ ไม่ให้ความคิดขึ้นได้อ๋อค่ะจริงๆคือเราไม่ควรที่จะคิดอะไรมากใช่ไหมคะใช่คิดเท่าที่จําเป็นคิดแต่เรื่องที่เราต้องคิดจริงๆเรื่องไหนไม่ต้องคิดก็หยุดมันด้วยพุทโธหยุดด้ยสติไปค่ะแต่ถ้ามันโผล่มาเราก็ก็คือตามให้ทันแล้วก็ไม่ไหลตามอ่าอย่าไปคิดตามมันอ๋อค่ะเรือเบี่ยงเบียนเบียนไปคิดเรื่องอื่นแทนก็ได้ คิดเงินเงินที่เป็นกุศลแทนก็ได้ค<า>่ะสวดมนต์ไปก็ได้พูดโธไปก็ได้ค่ะค่ะ ก, ก, ก็ก็มีคําถามประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมค่ะอ๋อไปนะเมื่อกี้ลืมไปคิดว่ า, าอะไรไม่เป็นไรคะ่ะ ไ, ไม่เป็นไรคะ่ะได้ค<า>่ะมีใครอยากจะถามยังไหมยกมือขึ้นแล้วก็อ่านมิวต่อได้เลยคุณเด็กชายคุณอาเซธคุณนาค่ะใช่ ยังไม่จะ้พูดยังไม่นานนิวโอเคหลวงพ่อหลวงถามอีกนิดนึงตอนยังดังหน่อยยังดังหน่อยตอนตอนที่เราออกจากสมาธิแล้วอ่ะแล้วสมมุติว่าปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยหนูต้องวางใจยังไงหรือว่าออกมาได้เลยค่ะตอนนั่งเสร็จแล้วอะ่ะเอาได้ก็มีสติต่อไปอย่าทิ้งสติ<อ>ดูดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้พูดโทก็ได้อย่าปล่อยให้คิดเรื่อยไปค่ะ อันนี้คือตอนออกนะคะหลวงพ่ออีกนิดน น, นึงค่ะเอพุทธแรกที่หนูมาเจอหลวงพ่ออ่ะแล้วนี่หนูไปดูหนังสือมาหาเศรษฐีหนูลุ่งขึ้นหนูก็ไปโหลดอ่านทําเป็นอันเล็กเล็กหนังสืออันเล็กเล็กอะค่ะอ่านอ่านหมดแล้วแล้วที่เนี้ยอ่านเสร็จหมดแล้วตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะวันแรกวันนั้นเลยนี่แล้วมีหนังสือที่หลวงพ่อบอกแต่หนูจําไม่ได้ว่าเรื่องอะไรเรื่องต่อนะคะที่ที่ต่อแบบเอ่เอเปิดเปิดธรรมเปิ ด, เ ป, ด, เ, ปดเปิดใจ เปิดใจเปิดธรรมอ๋อเปิดธรรมเปิดใจนะอะ่เป็นเรื่องที่มาขยายต่อจากจากเสร็จจากจากเศรษฐีที่แท้จริงอ่าคือเป็นเรื่องประวัติเหมือนกันเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆที่ไม่ได้พูดไม่ได้เอาไปใส่ไว้ในเลื่อแรกค่ะ<า>เปิดใจเปิดธรรมโหลดมาอ่านได้<า>เข้าไปในพาสูชาติ .com แล้วเข้าไปที่หนังสือ แค่นี้ค่ะนะวันนี้ค่ะขอบพระคุณนะมาคคามสาธุค่ะมีใครอยากจะถามยังไหมใครมีคาถามยังไหมถ้าไม่มีคุณหลามีไหมพระอาจารย์ค่ะอมขอถามข ค่ะคือเมื่อวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะคะ่ะโยมขับรถใช่ไหมคะแล้วโยมก็เลี้ยวปุ๊บพรอิญมันมืดแล้วแล้วก็มีรถคันนึงเขาเลี้ยวมามันเหมือนจะเกิดอุบัติเหตุแล้วตอมันก็ผ่านมาแต่ตอนขณะที่ความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุใจมันแป้วลงไปเลยอะคะ่ะทั้งที่เราก็พยายามเตรียมแล้วว่าเราไม่ค่อยไม่กลัวตายแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่แตทําไมมันนะถึงกิเลสมันเร็วอะกิเลมันเร็วกว่ามันเร็วกับปัญญาขอเรา S <S ใช่ค่ะเราปัญญาก็จะตามมาเออไม่เป็นไรนะเราก็ตั้งสติออแต่อย่างนี้มันปกติถ้าเราฝึกไปทํายังไงมันถึงจะแบบเตรียมตัวได้แบบถึงเวล า, าต้องมีสมาธิต้องมีงสมาธิออต้องมีอุเบกขาจนถึงเวลามันชวนชวนตัวแบบนี้มันก็จะไม่รู้สึกอะไรมันก็จะเฉยเฉยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันจะเฉยเถ้ามีอุเบกขาค่ะท่ต้องฝึกมาธิบ่อย ใช่ค่ะแล้วถ้าเดินจงกรมแล้วยมนับแบบสวดอิติปิโสไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยได้ได้ได้ค่ะวันนี้มีเท่านี้คือเป้าหมายคือไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ค่ะก็คือดับความคิดมันวูบขึ้นมาแล้วก็ดับมันด้วยพุทโธหรือว่ากดมนอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์มีใครอยากจะทำอีกไหมยกมือขึ้นแล้วก็กดอันนิ้วมายกดมนได้ คุณล้าเรครับจากเฟซบุ๊กครับเชิญมีสามสามท่านจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะคำ ถ, ถามแรกคือจากคุณบุ๊กโคกกระผมนั่งสมาธิประจำอยากถามพระอาจารย์ว่าเมื่อจิตมันนิ่งสงบลงมากๆไม่มีเวทนาแล้วกายเบาแล้วและพอเริ่มนิ่งลงไปอีกเหมือนว่าตรงอนุโลมจะฉายภาพให้เราเห็น เราควรตามดูไปหรือว่าตั้งอยู่ในลมหายใจที่เราภาวนาครับอ่าตั้งอยู่ที่ลมาหายใจอย่าไปตามอะไรทั้งนั้นเพราะจิตจะได้ลงลึกเข้าไปมากกว่าเดิมมากกว่าที่เป็นอยู่ถ้าไปตามแ ล, แล้วเดี๋ยวจิตมันจะฟูมขึ้นมาได้คถามต่อไปจากคุณสุภัตราสลัด ถ้านั่งแล้วจิตยังไม่ว่างเราควรปฏิบัติอย่างไรที่จะให้จิตว่างเจ้าคะก็นั่งต่อไปดูลมต่อไปแล้วพุโทโธต่อไปคถามจากท่านเดิมถ้าจิตวิญญาณเราตายไปแล้วเราจะเกิดขึ้นมาได้ไหมคะอจิตวิญญาณไม่มีวันตายสิ่งที่ตายคือร่างกายจิตวิญญาณนี้ไม่มีวันตายมันก็ไปหาร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่ต่อไป และพบใหม่เราจะปฏิบัติอย่างไรแล้วถ้าเรามีชีวิตอยู่จะได้นานไหมเจ้าคะก็แล้วแต่บุญตี่บาป ท, ที่เราทำมาว่ามันจะทําให้เรามีชีวิตที่ดีหรือไม่ดีอายุใจยืนจะสั้นก็อยู่ที่บุญที่บาป ท, ที่เราทําไว้ด้วยหมดแล้ว<า> ห, มหมดแล้วเจ้าคะ่ะโอ เ, เอแล้วนะคิดว่าเม <10 S 1> ื่<า>อกี้ เ, เห็นคุณสุภัตราเอาเชิญสุภัตรา ขอขอรบควณพระอาจารย์หนึ่งข้อนะเจ้าคะ่ะคือลูกลูกขอเออ่เทคนิคนะเจ้าคะ่ะว่าจะทํายังไงคือพอปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเริ่มอยู่ยากกับกับกับทางโลกอ่ะเจ้าคะ่ะลูกแบบมันจะจะมีเทคนิคยังไงให้เราได้วางตัวอยู่ทั้งทางโลกได้อ่ะเจ้าคะ่ะมันก็ถ้ามันต้องใช้เหตุผลก็แล้วกัน ถ้าเรายังต้องอยู่ก็ถือว่ามันยังเป็นหน้าที่ของเรามีภารกิจที่เรายัางต้องทําอยู่หรือว่าใดอย่างทิ้งไม่ได้เราก็ต้องทําหน้าที่ของเราต่อไปหรือว่าถ้าเราสามารถพิจารณาภารกิจของเราที่เราที่ไม่ได้ว่ามันเป็นก็เป็นแค่ตายรักมันแค่เป็นแค่ดินน้ําลมไฟเดี๋ยวมันก็ต้องตายของมันมันก็ต้องเส้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งก็เลิก พีว่าถ้าเกิดเราตายไปก่อนแล้วก็จะทํำยังไงเขาก็ต้องอยู่ของเขาต่อไปได้ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะสามารถที่จะไปเปลี่ยนตัวทําปฏิบัติได้มากขึ้นก็ได้แต่ถ้าทําใจไม่ได้จริงๆต้องอยู่กับภาระกิจก็อยู่ไปแล้วปฏิบัติไปตามกําลังของเราไปก่อนถ้าไปอยากแล้วมันจะทุกข์ก็อย่าไปอยากมัน คิดว่าเป็นวิบากของเราคนลกันที่ได้มาเจอคนดีทําให้เราทิ้งเขาไม่ได้เจอแล้วค่ะพอดูแล้วมัรู้สึกแบบโอ้ยแบบเอ๊ะทำไมท่านเลิกใช่ต่ะเลิกอยู่แล้วค่ะเริ่มอยู่ยากขึ้นอยู่ยากขึ้นคือเขาเขาเขาดีมากเขาให้เวลาลูกตลอดแล้วค่ะให้ปฏิบัติเต็มที่อยู่ที่บ้านแต่ใจมันก็ยังอยากแบบอยากไปอยู่วัดเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่กับ คนที่เขาปฏิบัติด้วยมันจะไม่คิ ด, ดเองเนี่ยบางที่ไปอยู่บ้านอาจจะช่วยอยู่บ้านไม่ได้ก็ได้่เค้าะก็เราขอเข้าไปเป็นพักผ่านดูเลยพอไปช่วยข่าวพ อ, อไปปีกวิเวกเจ็ดวันไปเข้าหลักสูตรอะไรก็ว่าไปเขาคงไม่ว่าเราอยู่ ล, ลูกเคยเจ้าค่ะตอนกลับเมืองไทยลูกก็อยู่ที่วัดยานเจ้าค่ะเจ็ดวัน อ, อะไรเงี้ยเขาเขายินดีทุกอย่างเจ้าค่ะ เ, เขาบอกไปได้จะเป็นปีก็ได้เขาอนุญาตแต่ว่าขอให้ไปแล้วต้องกลับม า, เ, า, เ, าเจ้าค่ะ อ, อะไรเงี้ยเราไปแบบช่วงคราวไปแล้วกันเจ้าค่ะ เ, เจ้าค่ะแต่บางทีบางวันก็รู้สึกก็าทำไมอยู่ยากจังเลยโลกไมอยากได้ความสงบเพิ่มขึ้นนะเจ้าค่ะอ ย, อย่างนี้ก็เลยว่าเป็นกิเลส ช <uss> ใช่ไหมเจ้าคะ่ะเจ้าค่ะถ้ามันทําให้เราทุกข์แสดงว่าเป็นเกเลรแล้วเราต้องระ ง, งับความอยากนละไม่ชั่วค้ากัเจ้าคะ่ะลูกจะพยายามฝึกปฏิบัติตรงนี้ไปเจ้าค่ะเรืะะ่อยๆเจ้าค่ะเราต้องยินดีตามอัตภาพก็เรียกสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดเจ้าค่ะถือเป็นบุญของลูกและเจ้าค่ะเจ้าค่ะโอเคค่ะมีใครอีกไหมยมีขยกมือแล้วก็อ่าบน้าอ๋อ ออมีอีกสามคำถามเจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณเจษณีกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกเคยอธิษฐานจิตต่อเจ้าแม่กวนอินว่าจะไม่กินเนื้อวัวแต่รู้สึกว่าทางพุทธสามารถกินได้ปกติถ้าลูกจะกินเนื้อวัวอีกครั้งจะผิดคำพูดไหมคะก็คุณไม่ตั้งคำสัจจาไว้แ้มันก็ผิดอยู่ยสิ คำถามต่อไปจากคุณโฟกัสในสิ่งที่ต้องการควรปฏิบัติอย่างไรครับให้ก้าวหน้าเร็วก็ปฏิบัติให้มากขึ้นหน่อยยิ่งปฏิบัติมากมันก็ยิ่งก้าวหน้ามากปฏิบัติน้อยมันก็ก้าวหน้าน้อยคำถามสุดท้ายจากคุณมาริเนีสวดมนต์เสร็จจําเป็นต้องกวดน้ําทุกครั้งไหมคะมหมาย <จำ S 2> ถึงเทน้ำลงดินไม่ต้องไม่ต้องเทน้ําลงดินไม่ต้องอุทิศบุญเพราะ การปฏิบัติธรรมนี้ไ ม, ไม่ไม่สามารถไปอุทิศแท้คนอื่นได้การปฏิบัตินี้เป็นเป็นของเราจะอุทิศได้ก็คือบุญที่เกิดจากการทําทานเนทะ่านั้นออมีอีกหนึ่งคำถามเพิ่งเข้ามาเจ้าค่ะจากคุณคายสิทธิ์รักษาศีลห้าสามารถเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ครับถ้ารักษาศีลอย่างเดียวเป็นไม่ได้ รักษาศีลต้องนั่งสมาธิให้ได้บุเบขาแล้วก็จเจริญปัญญาให้เห็นให้เห็นอ น, นิจจังทุกขงังมโนตาถึงจะเป็นได้หมดแล้ว<า>ชไห ม, หมดแล้วเจ้าค่ะอีกคำถามหนึ่งถ้าใครอยากจะถามในห้องประชมนี้อันนิยญาให้อีกหนึ่งคำถามคุณประวิทย์ฮะคุณประวิตประวิเชิญ อ, อาจารย์ครับเราจะไปฟังส่วนพระพุทธธรรม เราจะเอาอะไรมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เราครับคือการสวดพิธรรมนี่มันเป็นสวดภาษาบาลีซึ่งเราฟังไม่เข้าใจมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรถ้าเราอยากจะเข้าใจความหมายแล้วต้องไปเปิดในเน็ตดูบทสวดที่เขาสวดนัพิธรมว่ามีความหมายแปลว่าอะไรบ้างคือก็เอาเอาธรรมะมาสวดให้เราฟังทำที่ผู้เจ้าสอนกุศลาก็แปลว่ า, ากุศลอกุศลาแปลว่ า, ากุศลอเบยกัตตาก็คือ ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อักกุศลคือทำทั้งหลายเป็นอย่างนี้แบบ่งเป็นสามชนิดทำที่เป็นกุศลก็มีทำที่เป็นอกุศลก็มีทำที่เป็นกางกางก็ ม, ททกกมีอันนี้เป็นการเอาคําเอาธรรมะคําสอนพระเจ้ามามาสวดเท่านั้นเองเป็นพิธีกรรมมันไม่มีมันไม่มีอะไรเอางานศพที่ไม่ต้องสวดก็ได้เพราะงานสวพเป็นงานเผาเผาศพ แต่ที่เขาก็าอยากจะให้มีอะไรแก้งเหงามั่งก็เลยนิมนต์พระมาสวดท่านเองแต่ถ้าอยากจะสอนถ้าให้พระสอนต้องให้าสวดเป็นภาษาไทยจะดีกว่าคนฟังจะได้เข้าใจว่าท่านกําลังสวดเรื่องอะไรบ้างมีมีด้วยเลยครับที่ให้สามารถถามให้ท่านสวดต้องภาคภาษาไทยได้ด้วยไหมครับเอาไม่ได้เราไม่มีส่วนใหญ่ท่านไม่ไม่ท่านไม่ไม่สวดภาษาไทยรู้สึกจะมีบางวันบางรู้สึกได้ยินว่าวัดชนบัตาน วัสองหลวงพ่ออะไรเนี่ยท่านเสดมาน้าภาพไปแล้วท่านเป็นเพื่อนกับท่านพุทธทาสในว่าของท่านรู่สึยว่าจารย์สวยคำแปลด้วยเพื่อนคนที่มางานศพจะได้รู้ว่าภาพสวยอะไรก็เป็นธรรมะสอนใจนะันเพราะพรุ่งนี้ทางทางสหรัฐอเมริกาจะทำสวนพิธรรมให้พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังครับอ่าก็สว ถ้าเรได้ไประโยชน์ก็น้อมเอาร่างกายเอาความตายของหลวงพ่อไป็อย่างมาสอนเราว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนท่านจะนะว่าเราก็เหมือนกับท่านท่านถึงคิวท่านก่อนเรามันคิวหลังบัตรบัตรของเรายังไม่ถึงแต่ไม่ช้าก็าเร็วก็ถึงคิวเราแล้วเราก็ต้องหัดเตรียมตัวเตรียมใจหัดตายกันตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์นะเข้าใจนะ ครับขอบพระคุณมากครับพระอาจารย์เอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสองชั่วโมงกับประมาณสิบห้านาทีก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอร์น